อาจารย์ครับกลาวนามาสกา ร, การครับผมเจ ร, ริญพรคุณลอนและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยี่สบหกแล้วนะครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เมื่อเช้าไปบินธบารคนเยอะไหมครับอาจารย์ครับวันนี้ประมาณสี่ร้อยแปสิบอคนอ๋อวันนี้กลับเยอะอีกแล้ววัน น, <c oughs> น, นีเยอะหน่อยครับผมไม่แ น, น่ใจไม่แน่นอน ขึ้นๆมจะขึ้ น, น, นรประมาณสี่ร้อยสี่รขึ้นครับอาจารย์แล้วทางบ้านก็เยอะเลยไหมครับสองร้อยถึงไหมครับก 200, 200็ประมาณนั้นสักสามสี่ร้อยได้โอบก่สองร้อยสองร้อยกว่าอ่าประมาณสองร้อยครับผมต่ินพระจะมากค่เาเงินาทางบ้านจะมากถึงสี่ร้อยได้ครับผมแล้วตอนฟังธรรมตอนบ่ายคนเยอะไหครับอาจารย์ คขร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบแปดคนออครับร้อยเก้าสิบหกรเก้าสิบเกวมก้นแปดร้อยรวมแล้หมดเกาแปดร้อยิบสามคนที่ติดตามฟังทตอนนี้ที่นี่รวมกันก็ประมาณเกือบเก้าร้อยคนครับพระอาจารย์ครับแปดร้อยกว่าคนครับพระอาจารย์ครับวันนี้ตั้งชื่อหัวข้อว่าจะฝึก ให้รู้ได้อย่างไรว่าขันห้าไม่ใช่เราครับเพราะว่าได้ยินได้ยินมาตลอดชีวิตเลยครับว่าขันห้าไม่ใช่เราครับแล้วก็สัญญาก็จําแบบนั้นแหละครับว่าอาจารย์แต่ว่าจะทํำยังไงให้มันเป็นปัญญาของเราอย่างแท้จริงครับกับความไม่ตาพระอาจารย์ครับก็มันต้องอาศัยการภาวนาจิตตภาวนาเบื้องต้นสมถภาวนาทําจิตใจให้สงบเข้าสมาธิ เวลาเข้าสมาธิจิตกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันชั่วคราวเพราะนั้นจิตก็จะรู้ว่าจิตกับร่างกายนี้มันเป็นคนละส่วนกันแล้วพอออกจากสมาธินานมันก็กลับมารวมกันใจกับจิตก็จิตกับร่างกายก็มารวมกันตอนนั้นก็ต้องสอนสอนใจให้เข้าใจถึงความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็น ส่วนประกอบของธาตุสีท้ามาจากธาตุสีธาตุสีของพ่อของแม่มาผสมกันก็ทำให้เกิดร่างกายเงินใหม่ขึ้นมาเรียกว่าปฏิสนธิแล้วช่วงนั้นก็จะมีจิตมาเกาะส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายนัน้นเพื่อมาเชื่อมต่อกับตาวหูจมูกนิ้วกายของร่างกายต่อไป เวลาที่ร่างกายเติบโตขึ้นมามเมื่ออวัยวะต่างๆเริ่ ม, รมปรากฏขึ้นมาใจก็จะสามารถรับรูปเสียงกิริยผลธรรมะผ่าน่างตาหูจมูกนื้วกายของร่างกายได้ใจก็จใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสวงหาสิ่ต่างๆในโลกนี้ได้ ก็ต้องสอนใจนี่ต้องวิจัยเหมือนกับนักวิจัยท่นนานได้พิจารณาดูที่มาที่ไปของน้กายทางแพทย์ก็เห็นอยู่แล้วลว่ามันก็มาจากธาตุสี่ของพ่อของแม่ที่เนี่ยมีเชื่อเป็นสเปิร์มกับเป็นอ่าเป็นไข่นะแต่มันก็เป็นส่วนที่เก็ดจากธาตุสี่มันต้องมีดินน้ำลงไฟมาผสมกันถึงจะไม่เกิด เมื่อมันมาลบตัวกันมันก็มาขยายตัวเพิ่มขึ้นไปมัลติพลาเพิ่มคูณไปเรื่อยๆมันก็ตัวเซลล์มันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆมันก็ไปก่อสร้างไวว่าต่างๆในร่างกายโดยอาศัยธาตุสีของแม่เป็นผู้ส่งวัตถุดิบเข้าไป ไม่กินอาหารก็มีธาตุน้ำธาตุโลห์าตไฟเข้าไปแม่หายใจก็มีธาตุลมเข้าไปก็เป็นการเติมธาตุเข้าไปอย่าง ส, สรรรรม่ำเสมอร่างกายที่อยู่ในท้องวันดาวค่อยๆเจะเิญเติบโตขึ้นไปตามลำดับตัวจิตตอนนี้นก็ยังอยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงดับนอนอยู่เพรก็ยังไม่สามารถใช้ร่างกายทําอะไรได้ กเขานิยมยังอยูยย่ยังหลับนอนอยู่ก็รอไป เ, เรื่อยๆจนกว่าร่างกายสมบูรณ์แล้วคลอดออกมาจากท้องแม่พอคลอดออกมาจากท้องม่ร่างกายก็ต้องหายใจเองเพราะฉะนั้นจิตก็เติง่งขึ้นมาะจิตก็รับรู้สิ่ง ต, ต่างที่ร่างกายรับรู้ สัมผัสโนพูพภาพออกจากท้องแม่ก็สัมผัสกับบรรยากาศของของชีวิตนอกนอกในขั้นได้ยินเสียงเดนรูปอะไรตามไปมาอันนี้ก็คือการการเกิดขึ้นของร่างกายนี้นนมาจากธาตุสี่ในน้ำลงไปท้องแม่นี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนโรงงานผลิตร่างกาย โดยมีอาศัยวัตถุดิบสี่ชนิดคือดินน้ำลมไฟที่แม่ป้อนเข้างไปต่อเลงให้กัร่างกายของลูกจนลูกจริ่มดตบตัวขึ้นมาพอจะดับต่อขึ้นมาการเริ่มใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆตามความอยากของใจใจมีความอยากจะเสียงรูปเสียงกลิ่นดนตรีความสุจากหนา้าโยนสนั่นเซญก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ก็ไปนิ่งนอนกันไปทําอะไรกันยุ่ทุวันนี้กคนในโลกนี้ก็หาสีหลังนี้หาลาบยิ่งสุดเสริญสุขขึ้นแล้วก็หาไปใจกว่าร่างกายจะบมดสภาพไม่สามารถหาได้ร่างกายก็ตายจยุดหายใจมันหยุดหายใจท่าที่นอนกันสีไปเรื่ยเรื่อยยากทานกันไปสิ่งที่ไปก่อนก็คือท่านอนนอนไม่เข้านี่แต่เอาอ การไปธาตุาาไฟร่างกายที่มีฮะมีมันภูมิก็จะเย็นลงธาตุไฟออกจากร่างกายไปถ้าปล่อยให้เน่าเปื่อยธาต น, น้ำมันก็จะมันก็จะแยกออกจากร่างกายใจเย็นก็จะแห้งกรอบร่างกายก็จะแห้งกรอบทึ้งไปต่อไปมันก็ผุพังกลายเป็นดินไปหรือถ้านจเย็นเวลาก็เอาไปเผา เผาก็เร็วเาท่าท่าที่กับร่างกายก็เออแท้เหมือนกันก็เหลือแต่ขี้เท่าที่เท่าก็คือท่านเดินเราอสอนใจว่าร่างกายเรามันก็เป็นแค่ท่าสีนีน้แล้วลงไปมันไม่มีส่วนตรงไหรที่เป็นตัวเราของเราเลยเราเพียงแต่มาเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้รับรู้จิตเป็ผู้รับรู้ว่ามีร่างกายและรับรู้ สิ่งต่างที่เข้ามาผ่านทางตาของจมูกนิ้วข่ายจิตก็รับรู้แล้วจิตก็เสกอารมณท์ที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสตา่างๆเกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วจิตก็พยายามที่จะปรับวรรเจิดสุขเวทนาโดยพยายามที่จะยืมมันไว้รั้งมันไว้ให้มันอยู่เวลานาน เวลาที่มันเจ็ทุกขเวทนาเราพยายามที่จะกำจัดมันเวลาที่กาจัดได้หรือยื้อได้ก็มีความสุขแต่พอเจอเวลาที่ไม่สามารถที่จะยื้อความสุขให้อยู่กับเราได้ตอนนั้นก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจหรือว่าพยายามที่ยื้อให้ทุกขเวทนาได้เวทนาให้ไปมันก็ไม่หายครับเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย อ ย, อย่างทุกคนไม่ า, าหายไปมันก็ไม่หายเพราะามันไม่ได้เป็นเราของเราอไม่ได้ภายใต้น้ำได้ของเรามันเป็นภาวะปรากฏการณ์างธรรมชาติของดินน้ําลงไปธาตุของธาตุสี่นิ้งน้ำลงไปเราต้องศึกษาเพราะมัเป็นธรรมชาติร่างกายนี้ไม่มีตัวตนนิ้งน้ำลงไปมันลังตัวกันมันไม่สามารถ สร้างเป็นสร้างตัวตนขึ้นมาได้ตัวตนก็จะความคิดของิของจิตเองจิตขึ้นมาพของร่างกายก็อยู่ดีๆก็ไปไม่ว่านี่ร่างกาย เ, เป็นตัวเราของเราขราึ้นมาเอนตอนนี้ยในโลเนี้พิพาทกันเรื่องดินแดนฝ่ายหนึ่งก็เป็นของเราอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นของเขาไม่เป็นของใครไมนเป็นของโลกโลกนี้มีมาอยู่ขอมนุษย์เที่ยมาเกิดกันในโลกนี้ พอมันเริ่มมาเกิดกันมาเริ่ันนี้ยโดยเอาง่ายของความหนมก็่ามาอุปทานมาเยอะๆโอเคมันเป็นของเราของเขาไม่มันจริงๆไมไ้เป็ของใครแล้วมันเป็นของธรรมชาติทุกอย่างในโลกนี้อนัตตาอาจารอธิบายอยากเข้าใจไหมเข้าใจครับอาจารย์ครับอาจารพยายามเตรอนใจสอนใจให้เรื่อยว่ามันไม่ใชตัวเราของเรา นั่นมันก็ไม่เทียมมันจะต้องผ่านขั้นตอนของมันไปคือมันจะต้องแก้เพื่าทำน้ำหับนล้นก็เจ็บไข้ได้ป่วยทำนลำหนับแล้วก็นาดิสุก็ต้องตายไปครับถ้าเราไม่อยากจะทุกกับมันเราก็อย่าไปขัดขืนมันคือถ้ายัางรักษาได้ยังดูแลได้ก็ทําไปแต่ถ้ามันตึงขีดที่ทําอะไรไม่ได้นะครับ ถ้าไปยามที่ยากจะไปยื้อมั น, มนดึงมันมก็จะทำให้เราทุกข์ไปบ้างๆถ้าเราปล่อยปล่อยมันเป็นไปถึงเวลาที่มันจะเจ็บไายได้ป่วยรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปถึงเวลาที่มันจะตายก็ต้องปล่อยมันไปเพราะเราไม่ได้เป็นมันเราที่ไปยื้อไปรับไปห่วงนี่เราก็คือจิตนี่จิตที่มาก็ข อ, ของร่างกาย แต่ตอที่ปฏิในการปฏิสนธิในครรภ์ขอยแม่เท่านั้นเองอันนี้นก็ต้องต้องตองวิกคราะห์ดูต้องวิจัยดูต้องเป็นนักวิจัยจิตนี้เป็นผู้วิจัยมไม่ได้ร่างกายบันครจะทา้าส่วนน้ยที่จ้า้นเข้าใจส่วนน้อย ครับอาจารย์ยังตอนผมผ่าตัดอย่างเงี้ครับอาจารย์เราผ่าตัดคนไข้อย่างเงี้ยครับก็ก็รู้สึกรู้สึกได้เหบนที่พระอาจารย์สอนเลยครับเพราะว่าผมตัดสมองตรงนั้นตัดสมองตรงนี้ตัดตัดอะไรอย่างเงี้ตัดออกไปหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตไปย่าเงี้ยครับก็ไม่มันไม่เจอตัวตัวเขาตัวตัวเขาจริงๆอยู่ตรงนั้นเพราะว่าพอเปลี่ยนออกไปตัดออกไปเนี่ยตัวเขาก็ตื่นมาเขาก็ยังเป็นเขาเหมือนเดิมอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่มี ก็มีตัวเราอยู่ในนั้นจริงๆนะครับอาจารย์ไม่มีในอาการทันทีสองร่างกายนี้เราสามารถ ไ, ถไล่ถาไปได้ผมเป็นเราหราือเปล่าถ้าเราคนผมทิ้งหมดแล้วเราหายไปหรือเปล่ปาเรารู้สึรู้สึงลดตัวเราลดน้อยถอยลงไปหร้อมามันก็ไม่น้อยถอยลงไปฟันถอนฟันออกหมดทั้งปากเนี้ความรู้สึกนึกคิดของเราก็ยังเท่าเดิมอยู่ตัดแขนตัดขาออกไปมันก็ยังความรู้สึกนึกคิดม่นยังเท่าเดิม มันไม่มีความรู้สึกว่ามันลดน้อยถอยไปเลยอนี้ก็ทำให้ว่ารู้สึกว่าจิตกับร่างกายมันเป็นคนละส่วนกันอะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตครับ <c oughs> อันนี้อันนี้เข้าใจได้ทางกายภาพครับอาจารย์แต่เวลาที่มีคนว่าคนชม <c oughs> มันก็รู้สึกตัวเราขึ้นมาอีกทีนะครับ คือตัวเานี่มนมีมันมีมันมันอยู่ในสองระดับ้ระดับหนึ่งอยู่ที่กายระดับนึงอยู่ที่ใจเวลาคนชมคนด่าเนี่ที่รู้สึกนี่มันอยู่ที่ใจใจยังมีอัตตาตัวตนอยู่แต่อัตตาตัวตนที่ร่างกายเกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายเป็นอะไร้เราไปทุกข์กับมันนะฮอันนี้เป็นเราไปยึดไปติดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา ถ้าเรามองว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราก็ต้องต้องเปรียบเทียบเรากับร่างกายของคนอื่นใช่ไหมร่างกายของคนอื่นเขาเป็นยังไงเขาเจ็บเขาป่วยเขาถูกทิ่มถูกแทงเราไปทุกข์กับเขาหรือเปล่ปาไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าร่างกายเราถูกทิ้มถูกแทงเราไปทุกข์กับมันทันทีออันนี้ก็แสดงว่าเรายัางไป่ยึดไปติดว่ามันเป็นร่างกายของเรานนเราก็ต้อง เปรียบเทียบอย่างื่อนถ้ามันไม่ใช่เป็นของเราเราก็ต้องไม่ทุกข์กับมันเหมือนกับเราไม่ทุกข์กับหน้างกายของผู้อื่นครับใช่ครับแต่เขยังทุกทุกทีอยู่ครับยังเจ็บอย่างอะไรอยู่เพราะว่าเรายังไม่เรายังไม่มีกําลังที่จะหยุดอุปทานหยุดความยึดมั่นถือมั่นหยุดความอยากให้น่างกายไม่เป็นไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ไม่ไม่ทุกข์เราต้องมาใช้กําลังของสมาธิช่วย เวลาต้องปล่อยวางต้องอยู่เฉยๆให้ได้เวลาร่างกายเป็นอะไรไปอย่าไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้เราจะมีปัญญาเราก็ยังอดไม่ได้อดที่จะไปอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันหายอยากให้ไม่ตายไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเรารู้ด้วยปัญญาว่ารัางกายมันต้องเจ็บต้องตายห้ามันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ ต้องยอมรับความจริงอยู่เฉยๆปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปถ้าถ้าปล่อยได้ใจก็จะสงบใจก็จะไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บความตายของร่างกายออนี่เป็นส่วนอันตราตัวตนเราก็จะปล่อยร่างกายได้ถ้าเราไม่ทุกข์กับร่างกายส่วนเรื่องทุกข์กับความสาลเสยเยนย่ อ, ยอยเรืออะเราก็ต้องไปสอนใจว่าใจก็เป็นเป็นแต่เป็นธรรมชาติเอง มันก็ร่างกายเป็น่านรู้ร่างกายเป็นธานสีใจก็ไม่มีตัวตนใจก็เพียงแต่นี้ครับมีหน้าที่รับรู้ใครจะดา่าใครจะชมก็รับรู้ไปเฉยๆสิทําไมต้องไปงคิดว่าเขาดา่าเราเขาไม่เขาาด่าใครที่ไหนก็าด่าร่างกายไม่ใช่เขาจะมาด่าเราตรงไหนใจเราเขามองเห็นที่ไหน แล้วเราใช้ปัญญาสอนใจแม้แต่ใจก็ไม่มีตัวตนใจก็เป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้คิดที่ไปคิดว่ามีตัวตนขึ้นมาเป็นที่ไปคิดว่าตัวตัวรู้ตัวคิดนี้เป็นตัวตนเราก็เปลี่ยนหน้าที่ให้มันกลับสู่หน้าที่เดิมของมันคยเป็นตัวรู้ให้รู้เฉยๆอย่าเอาตัวตนออกมารับเวลาใครด่าก็ตัวรู้ออกมารับให้รู้เฉยๆอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจ การเขาชมดีใจก็เอาตัวตนออกมารับนะเราต้องกับเคืองใจให้สู่สภาพเดิมจากการมีตัวตนไปสู่การไม่มีตัวตนให้การเป็นตัวรู้ให้เป็นตัวรู้เฉยๆไปนี่มันมีสองสองอัตรามีอยู่สองตัวสกายะทิฏฐินี่อยู่ที่ร่างกายมางั่นนี่อยู่ที่ใจเนี่ยสามยศมีสองสองระดับ มนะันนการถือตัวเนี่ยมันยังมีอยู่ในจิตนยู่แต่ตั้งต้นเราปล่อยการถือตัวการถือร่างกายว่าเป็นตัวเราก่อนก็เราจะได้ไม่ทุกข์ก่อนปัญหาคือเราการระดับความทุกข์ของใจที่ไปหลงไม่คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเพราะอะไรเป็นเราของเราเราจะโหวงขึ้นมาทันทีกายแตะไม่ได้นครายแตะ้วทุกข์กขึ้นมาทันทีแล้วยิ่งพอสูญเสียก็ย่งเศร้าโศกเสีย ใ, ใจไง เราต้องการกอบจากความทุกข์เหล่านี้โดยการได้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเลยมันเป็นของธรรมชาติที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวเท่นั้นเองดียววันหนึ่งแล้วมันกลัคืนธรรมชาติไป <Okay. S 1> ให้มองในอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มองว่าเป็นธรรมชาติในอนิจจังของไม่เที่ยงสมบัติชั่วคราวร่างกายเป็นสมบัติชั่วคราวมันหนึ่งมันก็ต้องกลับคืนสู่ท่านเดิมเลยถ้าเราไม่อยากให้มันกลับเราก็จะทุก เพราความอยากของเราอยากไม่ให้มันตายเี่เราก็เลยทุกแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาว่ามันต้องตายเด็กนี่ปัญญาไม่ใช่ตัวเราของเราก็ปล่อยไปเถอเวลาคนไข้คุหมอตายคุณหมอเศ้าโศกเสียใจไหมก็ปล่อยก็ตายได้ไงเพราะไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่ตัวคุณหมอเห็นชัดแล้วคนใกลยนี่ไม่ใช่ตัวคุณหมอร่างกายของคนไข้ไม่ใช่ร่างกายของคุณหมอ นร่างกายของคุณหมอนี้ยังไม่มองว่าเป็นของคุณหมออยู่<ช> ม, มือก็เหมนก็อะไรทุกก็<ช><ม>ต้องพยายามสอนใจว่าร่างกายของคุณหมอก็เหมือนร่างกายของคอนไข้ข<ช>เป็นในน้ําลงไปเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติที่จะต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับธาตุทั้งสี่ก็จะแยกออกจากร่งางกายนี้ไป ฉะนั้นต้องฝึกสมาธิเยอะๆก่อนให้มีกําลังวางเฉยให้อยู่เฉยได้ถ้าพออะไรเกิดขึ้นกับน้ำกายถ้าป้องกันไม่ได้ถ้ายับยั้งมันไม่ได้ก็ต้องยอมก็ต้องปล่อยปล่อยน้าใจก็ไม่เครียดไม่ทุกข์ใจก็จะสงบการละสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งพระเจ้าบอกสังขารเป็นของไม่เที่ยเอองเนาะเกิดขึ้นต้งอยู่ระดับไปการละปล่อยวางสังขารได้นี่เป็นสุขอย่างยิ่ง ในคาถาที่พราส่วนงานศพนะครับอาจารย์อันนี้จะเอาวตถสังขาราสังขารทัง้งลหลายเป็นของไม่เที่ยมอุปดายะอุปจิ ต, ตาวาเนรุชนติมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปในสร้างอุปบสโนสุขโขการปล่อยวางสังาาขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งนี่เราต้องการตรงนี้เราต้องการสุขโขในสร้างอุปบสโนสุขโขแล้วปล่อยหน้ากาย ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันไม่ตายพอไปได้แล้วใจก็สงบเย็นสบายครับผมนี่ตอนตอนทําบังสกุลนี้ก็ช้าไปหน่อยไหมครับอาจารย์ไปทำแบบต้องทําตอนเป็นเลยใช่ไหมครับอาจารย์พระต้องสวดตอนเป็นตอนยังไม่ตายนะครับอาจารย์ทคตายแล้ว อันนี้ต้องทําเองหลวงตามาครับท่านึบอกว่าเวลาตายอย่าไปรีบของพรมาสดกุศลานะ <c oughs> ของกุศลาต้องคนแต่ละคนต้องต้องสวดกุศลาให้กับตัวเองกุศลก็คือความรู้ไงกุศลคือความฉลาสอนใจให้รู้ความจริงเว่าร่างกายเป็นอนินจจังทุกขังอนันตตา <c oughs> แล้วก็ปล่อยวางด้วยสมาธิด้วยอุเบกขาปัญญาเป็นผู้บอกให้ปล่อยแต่ถ้าใจไม่มีอุเบกขาก็ปล่อยไม่ได้ คึงต้องมีทั้งสองอย่างถ้ามีอย่างเดียวก็เป็นปัญญาสุตตามยาปัญญาเป็นจิตตามยาปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ไม่ได้ถ้าเป็นท้าถ้าถ้ า, ถามีอุเบกขาจิตมีมีการภาวนาสมถภาวนาะให้จิตเป็นมอุเบกขาปัญญาก็จะกลายเป็นภาวนามายะปัญญาไปอันนี้เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ป่อยวาง ตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยปัญญาเนี่ยยังต้องพยายามปฏิบัติเ บ, บื้องต้นพยายามจาราสติเข้าสมาธิให้ได้ก่อนถ้ายังผ่าสมาธิไม่ได้ปัญญาก็เป็นเหมือนดาบที่ยังไม่ได้คนที่จะใช้ดาบไม่มีไม่มีแรงยกดาบขึ้นมันยังไม่ได้กินข้าวคนที่หิข้าวมันยังไม่มีเรี่วไม่แรงเอามันอาดาบไปฟันคู่ต่อสู้ฟันไม่ไห ว, วไม่มีแรงดาบจะคมปรัดไหนก็ ไม่สามารถที่จะไปสู้กับเขาได้ต้องเสริมสร้างกำลังของคนที่ใช้ดาบเหมือ น, ห น, น, อนให้ได้พักผ่อนนอยให้ได้กินข้าวได้ออกกำลังกายไม่นกำลังวังช า, านื้อสละที่เนี้เป็นกำลังวังชาของจิตที่จะไปสู้กับกิเลสหยุดที่จะไปหยุดกิเลสไม่มีใครจะหยุดกิเลสได้นอกจากเนี่ยอุเกขาตัวเนี้ยถ้ามีโอเมขาแล้วหยุดได้ ถ้าไม่จะไม่มีปัญญาไม่อย่างนั้นก็อยู่ได้ชั่วคราวเพราะในอุบเบกขาทุกก็ไม่เกิดในใจแต่พอออกจากสมาธิแล้วอุเบกขาก็เริ่มจางหายไปทุกก็กลับคืนในถ้าไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ต้องถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องอาศัยสติเมื่อทุกข์อะไรก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธบริกรรมไปเลยแล้ว น, นั่งสมาธิแล้วมันเจ็บมันปวด ก, ก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอมีสติกลับคืนในะ อุเบากากกลับมาใจก็นล่งเฉยได้กับความเจ็บกับความตายได้แต่มันยังไม่ได้ใช้ปัญญามันใช้แบบอุบายของสมาธิซึ่มันก็ยังทาให้ไม่สามารถกําจัดต้นเหตุของความทุกข์ได้ก็คือความกลัความอยากสมมติเราตายไปเราใช้เราใช้ใช้สติใช้สมาธิหยอกความความกลัวแต่ความอยากที่สราตัวสร้างความกลัวมันก็ยังมี สมาธิเพี่งแต่ไปกดมันไว้เท่านี้หินทับยาถ้าตายแบบนี้ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เนาะความอยากมันยังมีอยู่พวกที่มือสีทั้งหลายที่เข้าฌานได้แล้วตายเนี่ยก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พราะยังไม่ยังไม่ได้ไปกำจัดตัวเหตุที่พาให้มันเกิดก็คือการมาร์ตนามววัตนาวิวาตน า, ะะตน า, ตนาที่เราใช้ปัญญาใหเป็นผูงพิจารณาให้เห็นว่า ความอยากนี้แหละที่ทําให้เราต้องกลับมาทําให้เราทุกข์เราต้องอยุดความอยากเพาสิ่งที่เราอยากมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะบังคับมันได้หรืสั่งมันได้ให้มันให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ใช่ก็แล้วมันก็จะต้องกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะ้นสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์ก็ก็ไม่อยากได้ขึ้นมาดังนั้นอย่างนั้นมราถึงจะอยู่ความอยากได้ วันนี้ได้สุดตมยปัญญามากเลยครับอาจารย์ครับอกจากสุดตรานะงดไปพิจารณาต่อก็เป็นจิตตรามายาปัญญาถ้าไม่ไปพิจารณาต่อวันนี้พูดแั๊บเดียวเดียวก็ลืม น, นะเพราะเรื่องเหล่านี้นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะยินได้ฟังมาก่อนเอารู้แบบนี้หาฟังยากนะเอาโน้แบบนี้เรื่องธาตุสีน้ำลงไปเนะี่ยใช่ครับเห็นเห็นท่านอื่นหรือแม้แต่คารวะและครูบาอาจารย์สอนกันใน ในติ๊กต็อกในเซิชิ้นเต็มเลยครับอาจารย์แต่ไม่ได้ยินแบบนี้หรอกครับอาจารย์ครับเพื่อนที่เขาพูดนั่งฆ่าใจเลยนั่งทังแกนครับส่วนใหญ่จะบอกวิธีรัดกันหมดเลยครับอาจารย์<ช>ได้ไปสังเกตครับขอประกาสครับอาจารย์ครับมีคนคุณบัวร์คอมเมนต์บอกว่าทิหน่าจะผ่าตัดครับบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเจอรคมะเร็งที่โพรงหมดลูกมีความกลัว แต่พยายามยึดหลักทางศาสนาเป็นที่ยึดพยายามปล่อยวางให้ได้คําสอนของพระอาจารย์วันนี้ช่วยได้มากๆเลยครับพระอาจารย์ครับอพยายามฝึกสติให้รากๆพยายามนัอมสนาที่ให้ใจให้นิ่งถึงแม้เราปัญญาของเรายัางอาจจะไม่เห็นชัดเจนความไม่ใชตัวเราอนยะ่างแม้เราก็รับความอยากได้ชั่วคราวไม่กำลังสติใจก็จะไม่ถึง คุณตะวันถามครับอาจารย์บอกว่าอาชีพเลี้ยงปลาขายให้คนเอาไปทําอาหารอย่างนี้คนขายจะมีบาปไหมครับก็มีส่วนนะว่าอาชีพที่เราไปสมช่วย เ, เขาเอาปลาที่เราเลี้ยงไปค้าถึงแม้ทําไม่ได้ค้าเองก็ตามเราก็ได้รับประโยชน์จากการค้าของของคนอื่นแตมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะเราไม่ได้ค่า แต่ถ้ามันเป็นไม่ไมจา่าชีพไม่ใช่เป็นสมาชิกเพราว่าเราก็มีส่วนที่จะทําให้มีการค่ากันงดนควรหลีเรียร่ยงอาชีพที่จะ ส, ส่งเสริมการค่ากันเช่นขายขายปืนขายอาวุธต่างๆนี่ก็เป็นอาชีพที่ ส, ส่งเสริมให้มีการค่ากันขายสิ่งทีามาเอาไวกับดักสัตว์นี้พวกเบ็ดพวกอะไรต่างๆนี่ครับเธอวนี่เป็นอาชีพที่เป็นควรทา ก็ส่งเสริมให้มีการทําลายทำทําบาป ก, กันนั้นเองสู้เป็นอาชีพหมอดีกว่าอาชีพพยาบาลดีกว่างานชีพพระก็ได้หมอพระพยาบาลครูเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่ทําบุญไม่ไม่ได้ทําบาปส่งเสริมการทําบุญขอวิธีนั่งสมาธิแบบง่ายๆจากอาจารย์ครับเกิน เวลานั่งก็อย่านั่งเฉยๆก็มีอะไรกํากับใจไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดกับราวิธีง่ายๆก็คือให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจท่าเนเองให้กอดติดกับพุโทโธไปยาปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องไรทั้งหมดถ้าอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องได้ห้านาทีสิบนาทีจิตก็นิ่งสงบได้ลองทำเลยง่ายๆพูดง่ายแต่ทำยากพุโทโธไม่ถึงนาทีก็ไปคิดถึงวันนั้นคนนี้ มีคุณเจเจคอมเมนต์ว่าสมัยธรรมะบนเขาไปนั่งฟังพระอาจารย์เกือบทุกวันเลยนะครับบนในทิกต็อกครับอืันนี้ไม่ได้ไปแ COVID, ล้วเพราะตั้งแต่มีโควิดย้ายลงมาเพราะตอนนั้นก็ปิดไม่ให้คนขึ้นไปแล้วพอหลังจากโควิดนั้นเราก็สภาพร่างกายแขงขันแล้วก็แก่ลงแก่ลงบนเขาไม่ไมค่อยเหมาะกับคนแก่ที่อยู่เพราะน้ำไฟก็ไม่ค่อยสะดวก ยังต้องเดินมาแต่เชา้าเมื่อลงจากเขาลงมาเป็นนบาาทุกวันมันก็เป็นสภาพที่ค่อาๆยังบอกกับคนที่มีกำลังรองชามากกว่าคนที่อายุเจ็ดสิบาแล้ว ม, มันไม่ค่อยจะบหวนะครับเพระท่านเดิน <c oughs> เดินลงมาสาาัลลานี่สองกิโลกว่าใช่ไหมครับอาจารย์รสา3กิโลขึ้นสานประมาณสี่ห้านาทีสี่สิห้านาทีถึงห้าสิบนาที เอากาสพระอาจารย์เมตตานะครับหนูเข้าใจถูกต้องไหมคำว่าขันห้าไม่ใช่เราอย่างภูมิพระโสดาบันท่านก็จะรู้ว่ารูปไม่ใช่เราเช่นพอมีเหตุการณ์ความเจ็บความตายสังขารก็ไม่ปรุงแต่งว่าร่างกายของเราส่วนสัญญาก็เปลี่ยนว่าร่างกายไม่ใช่ของเราท่านก็สามารถปล่อยวางร่างกายได้ทันทีเวลาเจอความเจ็บความตายแล้วในส่วนภูมิพระสกทาคามีนั้นท่านจะรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ของทน ไม่ใช่ของคนที่ท่านรักท่านปรารถนามาเป็นคู่ครองเป็นบางครั้งใช่หรือไม่ครับไม่ใช่นะครับเป็นประ ส, สาทกาสกิราคราเ น, นีท่านต้องละ ก, การมาราคะในคนที่เขารเรารั ก, ก, กที่เรารักเขาเพราะเราเห็นว่าเขาสวยงามหน้นาตาเราเร า, าเห็นแล้วก็เกิดความอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดเขาหาความสุขของเขาเราก็ต้องพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของเขาที่ละการ อาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังั้งแต่ใต้ผิวหนังขึ้นไปก็มีกระดูกมีเอ็นมีเนื้อมีกระดูกมีอวัยวะต่างๆมีปอดมีไตมีตับมีลำไส้มีอะไรต่างๆนี้ก็จะทำให้เราลบความความอยากที่จะเอาเข้ามาเป็นแผนเราได้หรือว่าต้งลองว่าเวลาที่เขาตายไปใครเป็นซากศพนี่ เรอยากจะได้เขามาเป็นแฟงใช่ไหะตอนนี้หรือว่าคนที่เป็นแฟนเราอยู่นี้ถ้าเกิดเขาตายวันนี้มันจะเก็บเขาจะรอให้เขาเกิดนี่เองเขาแบบจะขอส่งท้ายบ๊ายบายกันลูกแลร์วันนี้ยังต้องคิดถึงซากศพที่เวลาร่างกายเป็นซากศพไม่คิดถึงอ า, า, า, า, า, า, าการที่ไม่สวยงามที่มีภายใต้ใผิวหนังเป็นต้นมันเป็นจราการาค า, าได้ อันนี้เป็นหน้าที่ขสกิราคากับผ้านาคาพระสกิราคานี้ทําได้ห้าสิบเอร์เซ็นคือบางเวลาก็พิจารณาเห็นบางเวลาก็ไม่ได้พิจารณาก็มองไม่เห็นก็ยังมีการมาลาคาสลับกับการไม่มีแต่ถ้าเป็นผ้านาคา this จะเห็นอสุภะตลอดเวลาเลยทําให้ช่องทางของการเกิดของการมาลาคานี้เกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ใช่อสุภะดับมันได้ทันที อนนี้ก็จะเป็นได้นะครับม่ได้โยมมีปัญหาสุขภาพมานานหลายปีครับก็ได้ระลึกถึงนี่คือธาตุสี่แต่ก็ยังมีความรู้สึกเวทนาตลอดเวลาขณะนี้ระลึกถึงภาวะการตายเสมอทาอาณาปานาสติทุกวันหลายครั้งหลงความเป็นเรานึกเสมอว่าอีกไม่นานก็ต้องเปลี่ยนภพภูมิใหม่ขอคำแนะนาว่าโยมมาถูกทางหรือยังครับและขอ ช่วยแนะนำบ้าบด้วยครับอาจารย์ครับก็ถูกแล้วแหละเพราะถ้ายังกลัวทุกขเวทนาอยู่เราแล้วพิจารณาให้เราทุกขเวทนาก็เป็นปรากฏการทางธรรมชาติเป็นยินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนไปเนื้อฝนตกเนื้ยวดดออกเนื้อลอดเนื้อหนาวเวทนาก็เนืยวสุขเี๋ยวทุกขเนื้อไม่สุขไม่ทุกขเราไม่สามารถที่จะไป สั่งเขได้ให้เขาสุขอย่างเดียวหรือไม่ให้เขาทุกข์อย่เพราะว่าถ้าเราไปอยากให้เขาสุขอย่างเดียวเขาไม่สุขอย่างตามที่เราต้องการเราก็จะทุกข์เราก็จะทรมาใจวิธีที่จะสู้กับเวทนาก็คือยอมรับเขาเขาจะมาในรูปแบบไหนก็ปล่อยเข้ามาเขาจะสุขก็ปล่อยเขาสุขไปก็จะทุกข์ก็ปล่อยเขาทุกข์ไปเขาจะไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยเขาไม่สุขไม่ทุกข์ไปมันก็เรายอมรับติฏฐากาย พิณท่าอากาศเราก็ฝนจะตกเราก็อยู่กับมันไปะแต่เจะออกเราก็อยู่กับมันไปมันร้อนก็อยู่กับมันไปมันหนาวก็อยู่กับมันไปถ้าเรายอมยอมไม่ไต่อต้านไม่ต้องการที่จะไปเปลี่ยนแปลงเราเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้ในเวลาที่เราเจะทุกข์ก็เวิทนาสอนใจว่าปล่อยให้เขาทุกข์ไปอย่าไปอย่าไปหยาให้เขาไม่ทุกข์อย่าไปหยาให้ก็หายไปเพราะความอยากนี่จะทไม่จใจทุกข์ขึ้นใหม่ชั้นหนึ่ทุกข์ที่เกิดจากความอยาก เราดับความทุกข์ที่เกิดากความอยากได้เช่นความทุกข์ที่รุนแดงกับความทุกข์ของของทุกข์โกรธธนาที่มามาผ่าทางร่างกายดับความทุกข์ทางใจได้แต่ความทุกข์ทางร่างกาย ร, ระดับนั้นไม่ได้เาต้องสอนใจให้อยู่กับมันต้องสอนให้มันรับให้ได้ถ้ารับได้แล้วมันก็ทุกข์ทางใจก็จะไม่มีความทุกข์ที่รุนแรงก็จะหายไปแล้วแต่ความทุกข์ที่ไม่รุงคือความทุกข์ทางกาย เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราแยกขันห้าได้แล้วครับเราไม่ทุกข์เนี่ยเราไม่พิสูจน์เดือเราขันห้าไปไปปล่อยไว้ในปา่าเดือเราเป็นจิตเราไม่เราไม่ได้เราไม่ได้ไปอยู่ในปา่ารับร่างกายขันห้ากับจิตนี่อยู่คนละที่เองจิตนี่อยู่โลกทิพย์ร่างการนี่อยู่ในโลกทานเราร่างกายไปอยู่ในที่มันอันตรายเหมือกับคนที่ครอบคลุมยานอากาศส่งญาอากาศไปสํนนารวจดาวอังคาเนี้ แล้วก็ส่งให้ไปอยู่ที่ที่ไหนที่มันรู้สึกจะมีอันตรายดูดว่อยู่ซึมยาอนุภาศจะนับกับเหตุการณ์ได้หรือไม่ในคนที่ดูก็กลุ่มยาอากาศนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ดาวคาอยู่ที่โลกบนโลกใบนี้ที่แต่ในการติดต่อสื่อสาราาทางทาสัญญาณวิทยุอันนี้กําลังการใจกับร่างกายก็เหมือนอยู่คนละโลกกัน เรงใจก็ไม่ต้องกลัวว่าร่างกายเป็นอะไรมันไม่มาถึงใจร่างกายเป็นอะไรมันก็เป็นที่ร่างกายมันเป็นแบบพราะร่างกายมันยังไม่มามันกระทบของใจผู้สังการใจก็ใจก็ไม่กลัวเลยเวลาตายร่างกายมันตายใจไม่ได้ตายก็ไปพิสูจน์ดูว่าจริงหรือเปล่าเมื่อเอาร่างกายไปอยู่ท่ที่มันน่ากลัวอยู่ที่อาจจะมีภัยต่างๆนั่นโดยที่ว่าใจนี้จะเฉยหรือไม่เฉย ถ้าเฉยก็ก็ไม่เหลือนน้อนถ้าไม่เฉยก็ทุกข์ขึ้นมาก็แสดงว่าใจยังยังรักยังโหยร่างกายอยู่ยังไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปยังไม่ปล่อยไม่ง่าถ้ามันไม่ใช่ของเราถึงเวลามันจะตายเราห้ามมันได้ไหมปะเราก็ห้ามมันไม่ได้นี่เราต้องฝึกปล่อยซ้อมตายก่อนตายที่นั่นเรีว่ให้ซ้อมตายก่อนตายให้แบบฝึกตายก่อนตาย ด้วยการาร่างกายไปอยู่กับที่มันเสี่ยงภัยต่อความเป็นความตายอยู่ที่ไหนที่มีเสือเนี่ยพระพุทธงค์ท่านชอไปที่นั่นไงคแ ล, แล้วนี่เสียงคำรามมันสกใจมันสรรั่นไม่ใช่ใจมันนิ่งนี่พิสูจน์ตรตงนั้นถ้าใจนิ่งก็แสดงว่าไม่กลัวถ้าใจสั่นก็แสดงว่ากลัวแลว้วกลัวก็ยังยังรับยังโผล่ร่างกาย งานบุญกรถินพระที่ท่านไม่จับเงินสดแต่เราถวายเงินกระถินให้ท่านจะถือเป็นอาบัติไหมครับและเป็นบุญแบบใดครับอ๋อก็มีวิธีถวายเงินให้กับพระพระทุกรูปรับเงินนั้นนะคือวิธีรับของท่านนั้นก็แล้วแต่ไม่มีพระลูกไหนไม่นับเลยหรอกไม่ต้องกลัวแล้วก็ได้บุญเหมือนกับถวายข้าวของเหมือนกันแต่บางสำนักท่านไม่ให้นับกับมือบางสำนักท่านก็ให้ให้นับกับมือได้แล้วแต่ ถ้าไม่นับกับเงินเขาก็บอกว่าให้เขียนใบภาวนาเขียนไม่เขียนเช็คให้กับท่านท่านรับเช็คได้เขาบอกว่าข้าพเจ้าขอถวายเงินห้าพันบาทนี้ให้กับท่านท่านสามารถรับจากปบย้ายราชการเกินลูกศิษย์ของท่านได้จะฝากาลูกศิษย์ท่านไว้ถ้าพระไม่รับกับเงินแล้วก็ถอยเช็คไปถอยบใบภาวนาไป แจ้งให้สาวาแล้วเนี่ยถอยเงินให้กับท่านน้านนะอยู่กับลูกศิษย์คนนี้นะะอยวท่านก็ไปตามเก็บกับลูกศิษย์คนนี้ได้ถ้าต้องการจะใช้อะไรก็ได้บุญเหมือนกับถอยข้าวของอะไรมันเป็นวัตถุอย่างนึงแทนแทนข้าวของได้เผื่อว่าไหนที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านตําไปซื้อยาไปกินหรือไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่บางแห่งก็อาจจะไม่ฟรีทุกอย่างการรักษาบางอย่างอาจจะฟรีค่ารักษาบางอย่างจะไม่ฟรีก็ต้องมีเงินมาใช้จ่าย คืป้าหมายของการให้เงินกับพระนี้เป็นการให้เพื่ออาไปบริโภคให้ไปใช้กับสัมมนบริปโภคในสามมนาจะบอกว่าเพื่อสมมนาบริปโภคก็คือปัจจัยสี่ของพระนี่สัมมนาก็คืออาหารบิณฑบาตจีวรที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าอาดาศแค น, นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในในสี่ประการนี้ก็สามารถเอามงินนีไปซื้อมาซื้อมาใช้ได้ แต่ไม่ได้หมายว่าให้ไปซื้อไอโฟนรุ่นล่าสุดนี้นะปัจจัให้ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่นะเอขึ้นเครื่องถ้าเราจะเดินทางไปไหนต้องขึ้นเครื่องชั้นหนึ่งชั้นสองอะไรนี้อันนี้มันไม่ใช่เป็นส า, ารหน้าบริโภคครับเาทามีไว้เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูร่างกายของนักบวชให้มีกําลังวังชาให้สามารถปฏิบัติทำหน้าที่ของตอนศึกษาและปฏิบัติทำเพื่อแบบนี้ทได้ อันนี้ต่างหากคือปัจจัยหน้าที่ของปัจจัยที่ถวายให้กับพระแต่เราก็ไม่มีใครไปติดตามด้วว่าท่านนำมาใช้แบบไหนกันใช่ไหมกราบสาธุพระอาจารย์ครับตอนที่ฟังพระอาจารย์นึกว่าไม่ยากครับแต่พอเจอของจริงแล้วมันพอเขาว่ามานี้สวนกลับทันทีเลยแล้วก็มานึกได้ที่หลังถึงคำสอนเป็นอย่างนี้เป็นประจำเลยครับพระอาจารย์ <c oughs> นาา้าตัวตัวหนกมันรับน้าไม่ไม่รับตัวท่านตัวน้าก็รู้เฉยๆไปรับรู้เฉยๆไปครับผมคือว่าครับผมครับผมไปเขาชอบ ว, ว่าครับผมก็ด่าก็ครับผมรับทราบครับรับทราบครับไม่มีอะไรครับต อ, อุเบขาอยู่ได้ไม่นานครับจะทําอย่างไรให้อยู่นานๆครับมันทาปฏิบัติสมาธิทั้งวันนะ เดินโยนยครบสลับการนั่งสมาธิเอกจากสมาธิมาก็จเจริญสติและรักษาอเวคาให้ได้มากที่สุดจนการเดินไม่ไหวก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่พยายามเจริญสติสมาธิให้มากๆต่อไปมันก็จะมีกำลังต่อเ น, นื่องมันก็จะมีอเวคาให้เกือบทั้งวันได้แต่ต้องมีสติทั้งวันพยายรักษาอเบวคาไว้ได้ถึงมันเป็นเรื่องของนั่งดวนมากกับเป็นเรื่องของคาลาวา แล้ว่าไั่มีเวลาที่จะมาเจรินสติทั้งวันได้เดินยังคงนั่งสมาธิสนับกันเราถึงต้องลาออกจากงานเนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเรารู้ว่าการจะมีสติได้นี่มันต้องอยู่คนเดียวต้องมีเวลาให้กับการเจริ น, นถ้าไม่ทํางานมันเจริญสติไม่นานเพราะมันต้องคิดเรื่องนี้นเพื่อเวลาออกมาจากงานมีเป้าหมายชัดเจนแล้วเราออกมาทําไมออกมาเพื่อมาเจริญสติมาเดินยังคงนั่องสมาธิตั้าง ม, มืขาขึ้นมา ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายคําว่าขันห้าไม่ใช่เราให้เกิดปัญญากระจ่างในจิตหน่อยครับอันนี้เรื่อร่างกายการท่ามีท่าส่วยร่างกายก็ไม่ใช่เราน่ า, ากายเป็นเป็นน้ำหนุนไฟเป็นธาตุสีนี่น้ำหกุนไฟเวทนาเป็นความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทิก ข, ม, ขมันก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการผิดปกติของร่างกายมันก็มีอาารสุขม้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างเช่นเวลาหิวก็ทุกนี่ม เวลากินอิ่ก็สุขขึ้นมาเวลาไม่ไม่อิ่มไม่อิ่วมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นกัเวทนามันก็เป็นไปตามตามเหตุผลใจของร่างกายถ้าร่างกายมันมีเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเกิดทุกข์กัเวทนามันก็เกิดทุกข์กัเวทนามันมีเหตุปัจจัย่ทำให้เกิดสุขมันก็มันเป็นเรื่องของปัจจัยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่เราไม่สามารถบังคับได้บางเวลาแล้วก็ ทำได้บางส่วนเช่นเวลาหิวก็ดับความหิวได้ด้วยการไปหาอาหารแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ที่ไม่มีหารให้กินเนีจยทํำยัำยงไงมันก็ต้องอยู่มันก็ดับความหิวดับทุกกขเวทนาไปได้แต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอันนี้จจทุกขนาดดาอัญญาความจําได้ก็จำเรื่องนั้นจําเรื่องนี้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนยนั้นเราจำ ม, มันไม่ได้สมัครไปให้เป็นจําเรื่องนั้น ที่อยากจะจำก็จำไม่ได้อเรื่องที่อยากจะเมิมันก็ไม่ยามเลยก็มีสัญญามันก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่นมันไม่ได้ทั้งขายก็เหมือนกันเราสั่นให้มันหยุดคิดก็หยุดไม่ได้มันจะคิดก็มันก็คิดถูกมันไปวิญญาณก็ไปรับรูปเสียงรับภาพรูปสียงกลิ่นนั่นมาจากตาตาทุจริตดำเดินกายตลอดเวลาเราก็ไปห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ทั้งนี้ก็คืออนัตตาไม่ใช่ตัวเราเรา เดียนถามพู้อาจารย์ครับเพื่อนยืมเงินไปพอถึงวันนัดคืนไปหาพอเจอหน้าไม่ให้ไม่จ่ายด่าว่าเรากลับแบบนี้ถึงว่าชาติก่อนเราติดหนี้เขาใช่ไหมครับก็แล้วแต่เราจะมองถ้าเราจะมองว่าเราเคยติ็หนี้เขาก็ได้เพื่อจะมองว่าเราถูกปขาโกงในชาตินี้ก็ได้ชาติก่อนเราจะไม่เคยมีหนี้ขเขาชาตินี้ขเขามากลงเราก็ได้แต่ยังไงก็ให้มองว่ามันเป็นเศรษทีเกิดขึ้นแล้ว อ้เข้าปากช้างแล้วถ้าไม่ได้เคยก็งงไปกแล้วกันยุคยกอ้อยเข้าไปเราจะได้ไม่ทุกข์เกี่ยวทําบุญก็แล้วกันเผื่อชาติห้าเขาเขาจะได้เอาเงินมาคืเราด้วยคนเหลยจะเอาเงินมาคืนน้อให้เราไปนะมีการทําบุญทําทานไปเป็นสร้างทานบารมีไปกะไแล้วแต่เราจะคิดนะแต่ความจริงก็คิดว่ามันไปแล้วะมันไม่เกี่ยแล้วอ้อยเข้าปากช้างยาก คนที่เอเนของเราไปแล้วมันจ้างเอากลับมาให้เ้าเนี่ยมันยากฟังพระอาจารย์ยังปล่อยวางไม่ค่อยได้ยังมีกิเลสครับถ้าฟังบ่อยๆจะค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมครับมีไม่พอฟังเท่าไหร่กาไม่พอถ้าไม่มีสติไม่มีนั่งสมาธิถ้าจิตไม่มีอุเบกขางก็ปล่อยไม่ได้ไว้ได้ครึ่งหนึ่งถ้าเราขึ้นบ่อยๆแต่มันเงินก็ยังปล่อยไม่หมดนะ ปลยใมันหมดนี้ต้องเข้าสมาธิให้ได้ต้องมีอุเบกขาลูกยังไม่สามารถเห็นจิตไม่ใช่เราครับลูกจะปฏิบัติเช่นไรครับยังมันก็มันกายกันไปนะกำลจะเห็นจิตไม่ใช่เรานี่อย่างนั้นก็ต้องเข้าเข้าเข้าสมาธิให้ได้ก่อนไม่ได้เห็นตัวรูกว่าจิตเป็น ต, ตัวรูกอย่างเดีย ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วต้องผ่านการปล่อยต้องเห็นน่างกายเวิทยาไม่ใช่ตัวเราผ่านตึงที่เข้าไปถึง ตัวจิตได้ทีมันมีมันมีด่านหลายขั้นในกครับขั้นแรกก็คือด่านสมาธิขั้นที่สองก็คือการด่า น, านาร่างกายขั้นที่สามก็ด่านเมตนานั่นถึงจะค่อเข้าว่าสูกตัวจิตได้ทีเนี่ยเพราะมันยังไกลเกินไปงั้นเมื่อตอนที่เราเข้าสมที่ใ ห, หหให้ได้ก่อนให้เห็นถ้าเห็นตัวรูให้ได้ก่อนเพราะจิตเป็นตัวรูว้ แล้วก็มาปล่อยวานั่างกายปล่อยวางวิถนาแล้วถึงจะเข้าไปถึงตัวจิตได้การพิจารณาความไม่ใช่เราต้องพิจารณาในรูปแบบคือต้องนั่งสมาธิไหมครับการพิจารณาไม่สามารถทําได้ในทุกเยื่องเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ต้องการให้มันนิ่งัารที่เรานั่งสมาธิที่เ ร, เราต้องการให้จิตนิ่งไม่ให้ทํำงานเราก็ต้องนั่งสมาธิในท่ า, น, านั่นอย่างเดียว แต่สำหรับท่านทาถ้ า, ถ า, ถายืนเรื่องของการพิจารณาปัญญานี้เราสามารถทําได้ในทุกท่าจะนั้นพิจารณาก็ได้จะได้จะยืนจะนอนพิจารณาก็ได้คนที่เมตตาต่อสัตว์โดยเก็บมาเลี้ยงมากมายจนทําให้ตนเองเดือดร้อนอย่างนี้จะได้บุญหรืออย่างไรครับก็ได้ทั้งบุญทั้งความเดือดร้อนก็อาจจะเป็นนิสัยข ร, รือว่าโพธิสัตว์ ประพุทธสาสนาที่ฉันยอมเสียสละความทุกข์ยาบลำบาของท่านเพื่อประโยชน์สุขของผู้คนที่เกิดมาร่วมพ่อแม่เดียวกันคือเจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นคนที่ร่วมบุญกันมาดีชั่วก็เลยส่งผลให้มาเกิดร่วมกันหรือเปล่าครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นมันมีรายเหตุหลายปัยจจัยด้วยกันนั้นอย่าไปกังวลนะ ให้เราอยู่กับเขาให้ได้ก็พอไม่ต้องไปสนใจว่าเข้ามาอย่างไรให้เราฝึกใจสนใจให้เราปรับตัวเราให้เข้ากับเขาให้ได้ก็พออยากให้มีเรื่องกับเขาได้ก็ดีที่สุดการทำสมถะหรือวิปัสสนาแบบไหนจะได้ผลดีกว่าในการทำให้เวทนาทางกายทุเราลงครับมันต้องทำแล้ว เป็นขั้นตอนขั้นแรกที่เราทสมถะก่อนทั้งกาจิตให้สงบด้วยสติก่อนจิตสงบก็จะอยู่กับทุกขเวท น, นาได้ช่วยขณะที่สงบเพรมะไม่สงบเมื่อไหร่้นมานตอนดทีความอยากขึ้นมาใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ขั้นตอนก็ใช้สติก่อนหยุดความทุกข์หยุดความอยากแล้วพอเรารรมีกาลังที่หยุดความอยากได้ด้วยสตนะิแล้วเราก็ไปใช้ปัญญาจัญญาให้เห็นว่า การที่ ใ, ใจเราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปอยากให้ความเจ็บมันหานไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยให้ความเจ็บอยู่ของมันไปไม่ไปยุ่งมันามาการจะปล่อยได้เราก็ต้องมีสมาธิด้วย ม, มีมีอมีขาแล้วก็มีปัญญาสอนให้เรารู้ว่าวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยาก้เราต้องหยุดความอยากปล่อยให้ทุกขเวทนาอยู่ของมันไปอย่าไปอยากให้มันหาย ใจก็ยังไม่ทุกข์ทำใจที่แต่แบบนีิยามแบบจะหายแบบท้าวมอนหลังไปจะไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาต่อไปถ้าใช้ปัญญาเพราะจะตัดความอยากให้ทุกขเวทนาให้ใจยอมให้อยู่ให้ทุกขเวทนาอยู่ตามตามที่เขาอยู่เขาอยู่ได้ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาจะ ไ, ไปก็ปล่อยเขาไปแต่เบื้องต้นนี้ต้องใช้สติก่อนหยุดหยุดความอยากด้วยสติก่อน ให้หยุดทวามอยากด้วยสติไม่ได้เวลาใช้ปัญญาสอนให้หยุดมันหยุดไม่ได้ไม่มีกำลัก ถ, ถือศีลได้ไม่ครบห้าข้อการปฏิบัติจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าได้หรือไม่ครับก็ได้แต่ได้บ้างได้น้อยศีลมันเป็นผู้สนับสนุนให้เราความวุ่นวายใจเราน้อยลงเพราะเวลาเราทำบาปแต่ละข้อนี่มันมัมนทําให้ใจเราไม่ไม่สงบทําให้ยากาําใน ก, การทําสมาธิ เวลาไปฆ่าคนแล้วไปฆ่าสารวินใจแลก็วุ่นวายขึ้นมาเวลาไปรักทรัพย์นี่ยเวลาไปประเพฤติิดในการมันทําให้ใจเราวุ่นขึ้นมาไม่เป็นปกติยิ่งขนาดใจเป็นปกตินั่งสมาธิย่างยากเลยเวลาใจมันวุ่นขึ้นมาเนีจะไปนั่งไนั่งแล้วก็มิตรกังวลกับผลที่จะเกิดตามมาเพราเราไปขังวลอะไเขาเนี่ยก็จับ เ, เราได้เลยทลยําไงเวลานั่งท่านี่อยู่กับพุโทโธพุโทพโธก็ไปกังวลกับเรื่องความผิดที่เราได้ทํำ ที่นําพยายามอย่าทความผิดต่างๆมันจะได้ไม่มีเรื่องคางใจมาลกกวนใจเวลาที่เรานั่งสมาธิยิงไม่ต้องมีสีสีห้าแล้วก็สีแ8ช่วยลดความกังวลใจล ด, ลดความวุ่นวายใจต่างๆให้น้อยลงได้ทำให้การนั่สมาธิง่ายขึ้นถ้ามีสีเไม่ผู้สนับสนุนจิตกับเจตสิกเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับ <c oughs> เทาที่เข้าใจนีจิตก็เป็นเป็นเป็นท่านรู้ส่วเจตสิกนี้ก็คือสิ่งที่ปรากฏในในธานุรู้อีกทีหนึ่งเช่นความรู้สึกนึกคิดต่างๆอารมณ์ต่างนี่ไมว่าเป็นเจตสิกเป็นคํารวมของสิ่งต่างๆที่อยู่ในในในตัวในธาตรู้วิธีการลาออกจากงานจากทํางานคิดตลอดเวลาครับแต่ติดเรื่องการใช้ชีวิตภายนอกที่ต้องใช้ราย ได้หล่อเลี้ยงจะทําอย่างไรดีครับพระอาจารย์เป็นเรื่องจริงที่ผัดฝะจากที่ทํางานหาความสงบไม่ค่อยได้เลยครับก็ต้องตัดบทหนึ่งถ้าถ้าอยากต้องการปฏิบัติคือค้งตัวเองไม่อยู่ในบ้านค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะหายไ้หมดอย่างเรานี้ค่าใช้ใจ่ายเนี่แค่วันละห้าบาทหนึ่งเราเลิทํางานค้างตัวไว้ในบ้านไม่ไปไหก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีแต่ค่ากินอย่างเดียวเ ก, กินเนื้อเดียวมันก็ห้าบาทมันก็อยู่ได้ี่ครับ ขอหลักความคิดครับผู้ป่วยเป็นสโตร o มีทุกข์กับร่างกายครับรอาจารย์ก็ร่างกายไม่เที่ยงก็เป็นอย่างเนี้ยางทีครับพิการพิการขึ้นมาเราก็ห้ามมันไม่ได้ทําให้มันเป็นปกติไม่ได้ก็ต้องทาใจอยู่มันไปนั่ น, นีองถ้าทําใจอยู่มันไปหน้ า, นาใจก็ยังไม่ถุกข์ใก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกับตอนที่ร่างกายยังเป็นปกติอยู่ที่ทุกพ่อเราอยากจะให้มันหายอยากจะให้มันเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนนี้ แต่มไม่เป็นเช่นน้นตอนนี้เราปเป็นอามาพาดบ้างไปเนาะเอามาพึกบ้างขยับขาไม่ได้บ้าขยับแขนไม่ได้บ้างก็อย่าไปทุกกับมันเด็กใหยอมอยู่กับมันนะอย่างตอนนี้เราก็เดินไม่ได้นะ เ, เดิดเเดก็ยืนไม่ค่อยได้แล้วปวดแล้วเมื่อยเดินได้ทั้งสงสามนาทีก็ต้องนั่ง น, นะก็ อ, อยู่กับมันไปก็ไม่ทุกกับมันได้แต่ถ้าไม่อยากให้มันหายนี่มันจะทุกขทุกข์ทาใจก็จะเกิดขึ้น ก่อนหมดลมหายใจควรทำจิตอย่างไรครับให้สงบไงให้มีสติอยู่กับกรมถ า, านอยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วอยู่กับล ม, มหายใจเข้าออกไปพระอาจารย์ครับผมได้ยินจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าตอนก่อนจะหมดลมอย่าเข้าสมาธิลึกเพราะว่าเราจะกลายไปเป็นพรหมอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ ก็ถ้าหมายถึงว่าให้เราใช้ปัญญาให้ปัญญาปัญญาปัญญาไป ห, หนีความทุกข์ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาความทุกข์เมื่อละความทุกข์นั้นละต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ได้ก็คือตัดหาความอยากอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บพละได้ก็จะเป็นสดานันได้ขึ้นมาแต่ถ้าเข้าสมาธิไปก็จะไปก็จะไปสู่พรมโลกนะปัญหายังคขาด ข้าพัญญาคือตัณหาความอยากก็ยังอยู่ต่อไปอยู่ในใจต่อไปร mm hmm. าขณะที่เป็นแต่กดตัวตัปตาดาไม่แม้มาก่บกรุณสร้างรับทุกขหกับใจให้ขอเทีนถามพระอาจารย์ว่าครับว่าการพิจารณาธาตุอากาสาอากินจัญญาเนวสัญญาเป็นภูมิของสมถะหรือวิปัสนาครับเป็นอารมณ์ ป, ปัญญาเป็นขั้นของอารมณ์ปัญญา คนที From, ita, so. ่ระดับชาญสามหมายถึงว่าทิ้งคำบริกรรมไปได้อัตโนมัติการจะถึงชาญสี่วาอุเบกขาขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับก็นั่นแหละก็บริกรรมไปเยื่ดดูลงไปแต่ก่อจิตจะนิ่งสงบเนื่องแต่อุเบกขาถ้นก็กลายเป็นชาญสี่ไปถ้ายังมีชาญสี่ก็ต้องบริกรรมยืดดูลงไปต่อไปทิ้งไม่ได้ทิ้งกรรมฐานไม่ได้ยิงต้องมีกรรมฐานนั้นรื่อยืดเหนี่ยวให้ ทำอย่างไรครับทุกใจมากเลยหัวหน้าบอกให้เราสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นแต่เราก็พยายามแล้วแต่มันไม่สําเร็จมีแค่พี่ในแผนกที่เราสร้างสัมพันธภาพได้ครับก็ทำเท่าที่เราทําไ ด, ด้ไม่กังวลทำไมเมื่อเราทําไม่ได้ก็ทําทไม่ได้ก็ต้องยอมที่จะ่ับผลของการที่เราไม่ทําไม่ได้หัวนหน้าบอกอย่างนี้ถ้าคุณออกไปก็ต้องออกเพราะกขาเป็นหัวหน้ า, านเรา ถ้าเรายอมเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรายังไม่ยอมนะอยากจะอยู่เราก็จะทุกข์เพราะเราไม่สามารถทําตามที่เราสัยงได้กลับเรียนพระอาจารย์นะครับอยากจะเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองครับคือมีอยู่ว่าหนูชอบไปยกจะดุ้งยกยอปลาเป็นประจําเกิดอาการคันที่แขนนะที่แขนเวลาคันมันขึ้นเหมือนเกร็ดปลา คิดว่ากรรมมีจริงแต่ก่อนไม่คิดอะไรนึกว่าเป็นอาหารการกินแต่ตอนนี้ขอตั้งจิตจัดเลิกแล้วนะครับอาจารย์ก่ดีการเชื่อกดดังเก้านี่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดหวังแน่นอนกดดังเก้านี้เป็นองจริงเวลาที่เราทำบุญใส่บาตรแล้วเรากรวดน้ำอุทิศให้พระอริยสงฆ์ที่เราศรัทธาท่านจะได้รับไหมครับ ไม่ต้องไปอุทศให้ท่านออกท่านมีบุญเยอะท่านเป็นนาเศรษฐีบุญนะที่ <c oughs> คนที่เราไปอุทิศท่านก็คือพวกที่เป็นขอทานทางจิตตางวิญญาณมันเป็นพวกเปรดตรงนี้เขาจะมารอรับบุญจากเราพารยาท่านจะมารอรับบุญของเราหรอมันให้บิลเกตมารอรับเงินริบบัตรรัฐบาลแจกหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยบิลเกตไม่เสียเวลามารับ ก็ไม่จะส่งไปให้บิลเกตบิลเกตก็ไม่ไม่ยินดีด้วยหรอกเนี่ยพาราญาเปเหมือนบิลเกตอะไรนะหมายโซามเจลอะไรโกซามนี่เขาไม่ได้ขอเงินจากใครแล้ววันนี้มีแต่จะให้อย่างเดียวครับเมื่อจิตละสังขารไปแล้วคนที่เป็นญาติกันและสังขารไปเช่นเดียวกับเราจะจํากันได้ไหมครับ ข้อหนามันเกิดนี่จำมันได้หรือเปล่าละทุกอย่างมันจำมันไม่ได้ความจำมันเพลงแต่บางทีไม่ได้เจอกันไม่กี่ปีมันก็จำไม่ได้นะนอกจากเรื่องว่าเรื่องไปพบญาชาจะไม่เจอกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอย่าไปกังวลกับเรื่องราวเหล่านี้กังกับเรื่องปัจจุบันนี้ดีกว่าเราทุกข์แล้วไม่ทุกข์ดีกว่าถ้ายังทุกข์อยู่มาคำจัดความทุกข์ที่ยังมีอยู่ในใจให้เราหมดไปยังดีกว่าดีกว่าไปคิดเรื่องราวเหล่านี้ให้เสียเวลาต่อไปไม่เคยปรยชน โยมทำประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งแต่ถูกราเดอร์ส่งอาหารมอเตอร์ไซค์ชนสงสารคนจนจึงปล่อยเขาไปส่งอาหารต่อปัญหาก็คือโยมต้องโกหกประกันว่ามอเตอร์ไซค์ชนแล้วหนีจะทำอย่างไรให้ไม่ผิดศีลมีมีไหมครับไม่มีหรอกต้องพกกรรูดความจริงไปว่าเนี่นอยากจะหลุดพ้นจากคนที่ทำให้เราทุกข์ใจครับจะวางใจอย่างไรดีครับ ก็เฉยๆไปเขาทำอะไรก็เฉยๆไ ป, ไ ป, ๆไ ป, ไไปก็ด่าเราก็เฉยๆไปก็ดูถูกดูแกลนเราเรก็เฉยๆไปเ่อไม่ให้ความสัมพันกับเราเราก็เฉยๆไปป๋าก็ทําไปแค่นี้ใจของเราก็จะไม่ถูกกับเขาเมื่อฟังธรรมจากพระอาจารย์ความฝันหนูหายไปแต่ให้เห็นใจทิ้งกายได้จริงเจ้าค่ะเมื่อยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนไม่รู้สึกอะไรกับกายถึงจะผ่าตัดเยอะผ่าสมองหลายครั้งก็ตามก็ยังดุยทํางานได้ครับ ครับผมการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นที่มนุษย์ปุตุชนธรรมดาควรปฏิบัติให้ได้คืออย่างไรครับก็เริ่มต้นในการทำบุญทำทานก่อนสิ่งลรัทธามันได้แล้ต่าบเมื่อเราต้องการศรัททุกสิ่ง้วยอย่างในที่สุดนไม่แต่ร่างกายของเราเราต้องสลัทธี่เราศรัทธาของที่ง่ายก่อนของที่ง่ายที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติของเราข้าวของป็นทาวที่เราไม่ต้อง ไม่ต้องมีไม่ต้องเก็บไว้เนี่ยเราสละส่วนนี้ไปได้แล้วก่อนหรือเปล่าเป็นสละไม่ได้เป็นสละของที่เรารักของที่จสมมันมากกว่า น, นั้นมันสละไม่ได้คือร่างกายของเรานี้ยนั่นก็อยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะหนุนค้นจับความทุกข์เาน้องสละอยางพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องสละรากจสมบัติก่อนจะ แ, แล้ไปออกบวชเพื่อที่จะไปสละร่างกายต่อไป การร่ายสารเวทนาสารจิตเนี่ยมันมีสามสี่ขั้นด้วยกันคําถามนี้จากพระนะครับพระอาจารย์ครับเวลาที่เราจะตายอาการหรือสภาวะธรรมจะเป็นแบบใดแล้วเราควรจะวางจิตอย่างไรครับเรายังไม่ตายมันแล้ ว, ลวมันจะบอกยังไงดีมันยังไม่ผ่านก็ต้องต้องไปเจอสภาพที่มันใกล้ตายเดียวที่มันเสี่ยงเป็นเสียงตายเดียว เราดูเสรือใจเราเป็นยังไงเป้าหมายก็คือเราต้องรักษาใจให้เป็นปกติให้ได้ถ้าใจวุ่นวายใจเครียดใจกลัวนี่ก็จะสร้างควาทุกข์ให้กับใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ตราเานหาวิธีทําให้ใจนิ่งๆเฉยๆให้ได้วิธียันนิ่งเฉยๆก็ใช้สติไื่ใช้ปัญญาไม่ใช้ทั้งสองอย่างใช้สติใช้ปัญญาช่วยกันสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไป ถ้ามีสติมีสมาธิก็มีปัญญามันก็จะไหวได้มันไม็อยู่เฉยๆนด้จะพิสูจน์ให้แน่ใจได้อย่างไรว่าเรายอมรับว่าขันห้าไม่ใช่เราแล้วจริงๆไม่ใช่กิเลสมาหลอกครับก็เนี่ยเขาต้องไปไปเจอของไปอยู่ที่มันนา่ากลัวหนึ่งที่มันอาจจะต้องทําให้เราตะ่ากายนี้ตายได้ไม่ที่มีภัยอันตราย ไปที่เขามีสงครามก็ได้นสมัยนี้มีสงครามเยอะแยะเลือ ไ, ไปอเที่ยวซาฟารีก็ได้ไปซาฟารีเนี่ยอยู่อยไปอยู่ที่ที่เสือมันมันเพ่นพ่านอยู่นี่เราเข้าไปในส่วนที่นั้นดูเทีอ เ, เราใจเราเป็นยังไงครับถ้าถ้าถิงร่างกายได้แล้วจริงๆนี้จะไม่จะเฉยๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์เฉยๆเนี่ยยาวตาย รับประทานมังสวิรัติมาหลายปีต้องมาหยุดทานเพราะความป่วยครับรู้สึกสับสนกับสิ่งที่ตัวเองทําครับพระอาจารย์องมังสวิรัติมันไม่การกินมังสวานที่ไม่มีเนื้อสัตว์นี่ไม่ได้แม้ครว่าเรามีศีลนะศีลมันอยู่ที่การฆ่าหรือไม่ฆ่าคนที่กินเนื้อสัตว์แต่ไม่ฆ่าเขาก็มีศีลอยู่เหมือนกันคนที่กินมังสวิรัติแต่ไปฆ่ามดฆ่าอะไรมามันก็ไม่มีศีลอยู่ดีมันศีลกับการกินนี่มันคนละเรื่องกัน ไห้รู้จักอย่างเงี้ยให้เข้าใจทำไมคนแต่ละคนถึงรู้สึกกับเรื่องต่างๆไม่เท่ากันครับบางคนเป็นคนช่างสช่างรู้สึกไปกับทุกเรื่องเครียดง่ายในขณะที่บางคนไม่เป็นไม่เครียดง่ายตั้งๆที่เขาก็ไม่ได้รู้ธรรมะเป็นเพราะกรรมเก่าหรือเปล่าครับสติปัญญาไม่เท่ากันคนมีสติปัญญามากก็จะเนิ่งมากคนที่มีสติปัญญาน้อยก็จะเนี่งน้อย อยากจะหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรครับจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับ ก, ก็ยังกลับมาเกิดนะี่ยปฏิบัติตัดความอยากทั้งหมดตัดเจตทันหา ห, หมดไปจากใจให้เป็นท้าละหันยิ้มมาเมื่อเป็นท่าละหันแล้วก็จะมไมกลับมาเกิดต่อไปจิตมีสองส่วนคือส่วนความคิดนึกกับส่วนความรู้สึกใช่ไหมครับก็มีสี่ส่วนจริงมีห้าส่วนด้วยกัน ส่วนหนึ่งก็คือการรับรู้ส่วนที่สอก็คือการมีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนที่สาก็คือมีความคิดปูแต่งส่วนที่สี่ก็คือการจําได้หมายรู้และส่วนที่ห้าคือการไปรับรับรู้ลดสียงกินดาากรดประจักระรูปจักรง่ายของร่างกายนี่คือจมีความสามารถอยู่ห้าห้าส่วนด้วยกัน ผมยังรู้สึกเห็นตัวรู้เป็นเราจะาพิจารณาอย่างไรครับก็หยุดสมาหยุดคิดสิพอหยุดคิดตัวรู้ตัวเราก็จะหา ย, ยแต่เราแตะตัวรู้ให้ที่ตัวเราไม่ก็จะความคิดของเรานี่เองเพราะเรายความคิดของเราได้ตัวเราก็จะหายไปก็เลยแตะตัวรู้อย่างเดียวยถึงเมื่อเข้าสมาธิถึงจะเห็นตัวจิตที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรจิตเดิมจิตเดิมเ ม, มื่อเกิจิตที่รู้เฉย ไม่ม <f> ีความคิดปุุงแต่งเสริมสรให้มันคิดเป็นเรื่องเป็นนี่ไปถ้ายังมีความคิดเยอะเมื่อกี้เราเป็นหมอบ้างเป็นพยาบาลบ้างเป็นคนไทยเป็นคนฝรั่งบ้างเป็นคนรวยเป็นคนจนบ้างก็คิดไปได้เรื่อยไปเป็นนิยายเนี่ยอิจฉาเราเหมือนคนเขียนนิยายถ้าปล่อให้มันคิดเรื่ว่ามันเขียนบางทีเราอยู่คนเดียวยังนั่งกินอาการไปเรื่อยๆอ่เฮ้ยถ้าเรามีเงินเราจะไปทําอะไรดีเนาะถ้าเรามีมันชอบคิดเจ้าปรุงแต่งไปเรื่อย แล้วก็เป็นหลงเชื่อเหมือนกันหลงไปเชื่อกันไครับเมว่อเราอยู่นั้นคิดปรแต่งเราจะเห็นว่ า, าหายไปหมดเลยความเรื่องราวหลัานที่เกิดขึ้นในใจหายไปหมดเลยเยื่อเราหยุดคิดแล้วแต่วความรู้แตัตวตัวเดียวเนื้อแต่การรับรู้ตัวเดียว <c oughs> พระสามารถที่จะบอกความประสงค์ว่าอยากจะฉันอาหารอะไรแจ้งโยมไปซื้อให้ได้ไหมครับ ไ, ได้เราต้งจากโยมรณนาตัวไว้ก่อนถ้าโยมเสนอแต่ว่าถ้าท่านต้องการอะไรก็บอกได้นะนั่นท่านก็าจจะบอกได้แต่ถ้าเป็นพระที่มี็ความเข้มข้นในการปฏิบัติท่านมักจะไม่ไ ม, ไม่สั่นหาเรือ่องอาหาเรื่องการกินอะไร่ท่านฝึกความยินดีตามมีตามเกิดไปมากกว่าคือท่านจะใช้การบินตบานเป็นหลัก น่าอะไมาจากบินตาบ๋าหร้วใครจะให้อะไรมาก็อานจะไม่บอกว่าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยน่ะอยากจะกินแซนด์ิชน่ะอยากจะอะไรยืนอันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสที่พต้องการที่จะกลับจัดไม่ใช่มาส่งเสริมขอวิธีลดกิเลสโลภโกรธหลงด้วยครับพระอาจารย์ก็ใช้สันเดินยินดีตามนิยามเกิดอยากได้อยากได้นี่ เราก็ใช้ความบ้างน้อยเมือมีเท่าที่จําเป็นคอนยัมเป็นของเรามีอะไรเสื้อผ้าเราต้องการมีกี่ตัวถึงนี้อยู่ได้สองชุดพอไหมสามชุดพอไหมถ้ามีอยู่วันที่สามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้ไว้เปลี่ยนแค่นี้ก็พอแเรามีสามชุดรองเท้าก็มีคู่เดียวก็พอเนั้นเเราบวดชานี่เราใช้รองเท้าแต่งมันคู่เดียวตลอดเทนใส่ไปยันเที่งวัน มันทะลุเลยมันน่าค่อยเปลี่ยนเลยครับท่าเราก็มีคู่เดียวเราต้องมีเราท่ากี่คู่อะครับ <c oughs> เวาใส่เราก็สายได้ทีลคู่ใช่ไหมทำไมต้องเปลี่ยนยเรื่อยๆต้องเปลี่นะคู่นั้นต้องเปลี่ยนคู่นี้แล้วเพราะเราไปสร้างเหตุไปสร้างความมังคับมันว่าเอาท่านเลยม อ, อยูที่นี่ต้องใส่รองท้าแบบนี้ถ้าไปทําอย่างนูน้ต้องไปใส่รองท้าแบบนี้กัน ทวให้ไม่ใสรอท้าที่มันใช้ได้ทุกทุกกรณีนะมันเริ่มกู้เดียวรอบรับขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับเราอยากจะบริจาคช่วยสร้างกำแพงกั้นพรมแดนคือเรายึดติดกับความรักชาติเป็นกิเลสจะถือเป็นการให้ทานไหมครับช่วงนึ้นก็เป็นการให้ทานเราเสียชรางินทำส่วนนั้นก็เป็นกิเลสเราก็ยังมีความโลภความโหยวนดินแดของเราอยู่ มันก็เปเรื่องธรรมดาของของคารวะผู้คองเงนินะครับรักแบบนี้ยังดีกับไปรักแบบอื่นคนที่ไปทําบุญสวดมนต์เป็นประจำแต่มีเรื่องราวมาเก็บเป็นอารมณ์ไม่อยู่อารมณ์ร้อนถือว่าเขาปฏิบัติธรรมได้ไหมครับเขาปฏิบัติเป็นจุิยามันไม่ได้เป็ น, ม, น, ม, ปนมันไม่ได้เป็นตัวตรงที่เป็นสาระตรงที่เป็นสาระก็คือสติไม่มี การส่วนนี้ก็เป็นการเจริญสติให้มีมีกําลังที่จะสามารถคอยหยุดความคิดต่างๆหยุดกิเลสต่างๆอย่างถ้าส่วนโดยให้ไม่มีกิเลสก็จะไม่มีสติก็ส่วนโดยไม่มีสติก็จะไม่มีกําลังอยู่กิเลสนด้ลนะาเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็จะต้องปล่อยมันออกมาทางวาจาทางกายดังนัการปฏิบัติยิ่ต้องต้องไม่ได้ปฏิบัติด้วยกิเลสปฏิบัติด้วยตัวสติเป็นหนละัก ถาไม่มีสติก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแบบแบบที่ไมดีนะครไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเพราะไม่สามารถที่จะยับยังย้งกิเลสตัณหาได้นั่งสมาธินานไม่ได้เพราะปวดเขา่าไม่ทราบว่าเปลี่ยนเอริยาบทเป็นท่าอื่นได้ไหมครับได้แต่มันก็จะติดอยู่แค่ตรงนั้นันจะไม่ก้าวหน้าไปกว่า น, นั้นเนั่งสมาธิพอถึงขีดที่เจอความเจ็บก็จะหยุดต้องเริ่ต้นให เราเปลี่ยนเรียบหมดก็เหมือนเรเปลี่ยนเก็กลับไปถอยหนังน้ำต้นใหม่นานมาถึงสิบนะพอมาถึงจุดที่สิบเจ้าควาเจ็บกะไรยาอนแพ้เรากลับไปน้ำต้นใหม่ที่ศูนย์ใหม่มันก็มาได้แค่แค่สิบนึงมันจะไปต่อยี่สิบสามสิบไม่ได้ถ้จะไปต่อก็ต้องต้องผ่านมันให้ได้เราไม่ไม่ต้องไม่ขยับต้องเฉยเฉยเราก่าสวดวนไปแล้วบริกรรมพุโทโธไปเรื่ดูลงไปต่อไปอย่าไปสนใจความเจ็บ จนก็จิตจะเบาลงจิตจะสงบมันก็จะอ่านมันได้มีปลวกเดินอยู่บริเวณพื้นบ้านถ้าเราฆ่าปลวกหรือเอายาฆ่าปลวกไปพ่นอย่างนี้เราบาปไหมครับบาปถ้าทําให้เขาตาย <c oughs> จิตประพัดสอนจิตเดิมแท้ต่างจากจิตตัวรู้อย่างไรครับวันนี้นะไเนี่ยตัวที่จิตสงบเนี่ยเวลาเข้าสมาธิมันก็จะเป็นจิต แต่ที่ท่านพูดนี้ประภาษาเนี่ยลัทธิว่าจะเป็นจิตของบ้า น, นะขามีมากกว่าจิตที่ได้คำละกามลงมาไห้หมดไปจากใจแล้วก็ังเป็นจิตที่สงบ ม, มีความป่องใสขึ้นมาอาจจะตายจากจิตที่มีสมาธิอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็พู ด, ดว่าเรื่องมันอาจจะเป็นอเดียวกันก็ได้เวลาเข้าฌานมันก็ละกามได้ชั่วขาม การเข้สมาธิได้ก็เป็นการละการช่วครับอาการยังไม่หมดไปซึ่งมันจะเป็นตัวนี้ก็ได้เพราะท่านบอกว่าพอพอจิตออกมาจากสมาธิอุปกิเลสที่อยู่ภายัต้ใจก็ออกมาทํางานต่อนะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นภาชนะ ก, การมีการอุปิเลสจะจะไม่มีอีกต่อไปเวลาสวดมนเราสวดเฉพาะคําแปลเลยได้ไหมครับได้ ดูขา่ขาวพระวัดดังทำผิดเยอะจนสงสัยในเรื่องบาปบุญเลยครับจะทำอย่างไรดีครับไม่คนตะเรื่องกันเรื่องบาปบุญก็ยังเหมือนเดิมอยู่ใครทำบาปก็ต้องรับผลบาปใครทำบุญก็รับผลบุ ญ, บญไปเรื่องของพเรื่องเรื่องของคนคนที่ทำหน้าที่องคตน้นหรือไม่หรือไม่ทำหน้าที่องคตน้นก็ก็เป็นข่าวขึ้นมาเมือนข้าราชการกรมกองกต่างๆแล้วก็มีคนที่ทำผิด ปิดกด็ดถิ่นะเบีย้ยถ้าก็เหมือากับเป็นข้าราชการคนหนึ่งเหมือน <Okay. S 1> กันหลักทํามคำสอนก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเวลานั่งสมาธิกาหนดลมหายใจแต่ใจก็ไม่นิ่งครับชอบคิดไปเรื่องอื่นอย่างนี้ควรทำอย่างไรครับอาจจะ้องใช้คำมบริการก่อนใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธกันเขาดูดกลองให้มัน ใจมันยังไปคิดนรื่อนั้นคิดเรองนีน้ได้อย่างใช้คําอะไรคำพูดเถอะอาจจะทำให้การคิดนี้คิดยากขึ้นง่งยพิจารณาละทิ้งร่างกายตอนนอนแล้วก็เผลอหลับไปเลยอย่างนี้ได้ประโยชน์อะไรไหมครับ ไ, ได้ๆนงะั้หลับนะเวลาเกิดเวทนาแล้วพระอาจารย์เคยบอกว่าให้แยกกายกับจิต ถ้าขณะนั้นจิตรู้ว่ามันคือความเจ็บปวดแล้วก็ปล่อยให้มันเจ็บไปคือรู้ว่าเจ็บคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับขอปัญญาครับถูกต้องถ้าไปล่อยได้จิตก็จะไม่ทุกข์ถ้าไปล่อยไม่ได้จิตก็จะทุกข์ถ้าช่วยความอยากให้ความเจ็บหายไปความทุกข์ในใจก็จะเกิดขึ้นมาอีกชั้นนึ้งคุณแม่เสียชีวิตจากไปด้วยอายุเก้าสิบปีกับเก้าเดือนจากไปเก้าเดือนแล้วครับ ไม่มาให้เห็นหรือมาในฝันเลยคุณแม่สร้างบุญทำสมาธิตลอดวันที่แม่จะสิ้นลมได้บอกให้แม่ทำสมาธิแล้วให้แม่ว่าพุทโธ น, นำทางจนแม่สิ้นลมอยากรู้ว่าทำไมแม่ไม่กลับมาหาหรือไม่เคยฝันเห็นแม่เลยครับสงสัยมานานแล้วครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันยังมาไม่มาก็ไม่ของเขาคิดสบแม่ทาบุญสร้างกุศลและอุทิศให้ลูกๆที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมครับ ไม่ได้หรอมุญเ น, นี่จะให้ได้แต่ขอผู้ที่ตายไปเท่านั้นมาผู้ตายนี่นับนับอย่างอื่นไม่ได้คนที่ยังอยู่นี่ยังสามารถรับเงินทองได้ะถ้าอยากจะให้คนที่อยู่มีความสุข mm. ก็ให้เงินทองเข้าไปแต่ถ้าอยากจะให้ดวงวิญญาณมีความสุข mm. ก็ต้องส่งเงินไปเพราะไม่สามารถส่งเงินไปได้เท่านั้นเองคือเป้าหมายของการทิศมุญก็คือส่งความสุขไปให้นั่นเอง ถ้ามีคนเป็นก็ส่งเงินไปให้เขาเขาก็จะดีใจเขาก็มีความสุขถ้าเป็นดวงวิญญาณก็ต้องส่งบุญไปก็ส่งเงินไปไม่ได้ท่านนั่นแหละนี่คือความแตกต่างแต่เป้าหมายคืออันเดียวกันต้องการให้เขามีความสุขผู้รับใ ห, ให้ผู้รับมีความสุขถ้าเป็นดวงวิญญาณก็ส่งบุญไป ถ้าเป็นคนมีชีวิตอยู่ก็ส่งเงินไปมันเราส่งซื้อของส่งไปให้เขาอย่างนี้เขาพอได้ยิ่งส่งไอโฟนนุ่มหน่อยไปเขาดูเลยให้มีความสุขเออมีสุขบ้างไหมอยากทราบว่าอยากทราบถามพระอาจารย์ครับว่าเราเข้าใจว่าวันหนึ่งก็ต้องตายตามหลักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่พอเวลานั่งรถที่ขับหวัดเสียว ใจมันจะเสียวตลอดเวลาเพราะคนขับขับน่ากลัวเราควรจะกลัวตามจิตสํานึกหรือเราควรจะวางอุเบกขาว่าถ้ามันจะตายเพราะคนขับรถก็ช่างอะไรดีครับหรือเราคนตั้งจิตว่าอะไรดีครับอย่างไรแต่ที่จะทําให้จิตเราเนื่งให้เราสงบไม่วุ่นวายอันนั้นถูกก็ต้องยอมให้ให้มันเป็นแปจะตายก็ต้องยอมนับเพราะตอนนี้เราก็สั่งคนขับภาพคนขับไม่ได้ ถ้าเราสามารถกําจัดความัวดได้ด้วยกยารยอมรับความจริงว่าอาจจะถึงเวลาตายก็ได้ถ้าเราเดินจงกรมและนั่งสมาธิไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจว่าเราจะได้ฌานอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับก็เวลาเราวลาปฏิบัติเราก็ไม่สนใจเราจะได้ฌานนะร่างการให้บริสุิอยู่กับอยู่กับกรรมฐานที่เราใช้กับขับใจเท่านั้น ถ้าเาใช้พูดโธก็อยู่พุทโธไปไม่ไม่ากินข้าวเนาะไม่สนใจะกินเนาะอิ่หรือไม่อีกมเรามีหน้นาที่กินให้กินไปแน่ๆลมื่อถึงเวลามันอิ่มันก็จะบอกเราเองว่าอีกนะแล้วก็หยุดกินขอปัญญาพระอาจารย์ครับกลัวความเจ็บปวดของร่างกายตอนป่วยจะวางใจได้ยอย่างไรครับต้องยอมนะว่ามันดีมันไมยพ้นนะถ้ากลัวก็จะทุกข์ถ้าไม่ก ล, ลัวก็จะไม่ทุกข์ การที่จะไม่กลัวคือต้องยอมรับมันอย่ากขยามให้มันหายอยู่ก็บมันไปให้ได้ชีวิตจริงคือไม่ได้ต้องการเงินมากมายแต่กลัวป่วยหนักต้องใช้เงินแต่ถ้าออกมาพบกับความสงบดีกว่าใช่ไหมครับทุกวันนี้เบื่องานมากอยู่ระหว่างการตัดสินใจให้รอบคอบครับใช่ถ้ามีความสงบล้ว ความทุกข์เจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายเป็นเรื่องจิบจ่อยแต่ที่มันทุกข์ทรมานไม่ได้ทุกข์ทรมานจากการเจ็บไข้ได้ป่วยมันทุกข์ทรมานจากความอยากไม่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอ ย, อยากให้ร่างกายอะไรยิ่งถ้าฝึกสตินั่งสมาธิฝึกปัญญาได้เราก็จะทําใจให้นื่งเฉยเฉยให้ยามรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราได้ พระเขมนที่ออกมาปั่นป่วนที่ชายแดนตอนนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นอาบัติไหมครับม่นก็เป็นทางต่างกันนะบางท่านบงแหล่งข่าวเาบอเป็นภาพบอลงั้นอย่าไปเริกอย่าไปสนใจกันเรื่องของเขาเลยใครกำลังเเขาก็รู้รู้แก่ใจเขาเองเขาผิดนั่นถูกขนาดนั่งสมาธิจะรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าบิ่งผ่านจากมือทั้งสองข้างขึ้นไปถึงศีรษะ มีอาการชาผมและขนลุกไม่ทราบว่าเป็นสภาวะของสมาธิหรือว่าเป็นอาการของโรคครับอาจารย์ไม่น่าไปสนใจไม่น่าสมาธิให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้คกำกับใจเท่านั้นถอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจถ้าไปสนใจแล้วเราก็จะไม่มีเจะเข้าสมาธิไม่ได้กานั้นสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบต้องอยู่กับอารมณ์กรรมฐานถ้าใช้พุทโธก็อยู่พุทโธไปถ้าดูลว่าดูลงไปสถาการต่างไรที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจ ยัไม่เกิดขึ้นตั้งอย่แล้วก็ดับไปฉันเป็นอะนี่จํจาทุกข์ขันนาตาเขาเขียนเพิ่มมานิดนึงครับอาจารย์บอกว่าอาการที่เกิดขึ้นจะมีเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิเท่านั้นครับตอนปกติไม่มีอาการครับอ้าไม่ต้อไปสนใจอนอนภาวนาพุโทโธแล้วหลับไปรู้สึกตืตัวตื่นแล้วกลัวเลยไปจับแขนแฟนที่นอนข้างๆ ห, หายกลัวว่ามีเพื่อน แต่อึดใจหนึ่งจิตเห็นแขนที่เราจับให้อุ่นใจเป็นศพสีม่วงคล้ำใจก็บอกว่านี่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งนี่ก็น่ากลัวอยู่ดีครับ ก, ก็แล้วแต่ น, ะ น, นี่ที่พค่งที่แท้จริงก็คือความสนุก น, นะถ้าเป็นความสนุกแล้วความกลัวต่างๆมันาหายไปส่วนที่เพิ่งยางเหลือมันก็ไม่คขอไม่แน่นอนบันทีเขาก็อยู่บดงทีเขก็ไม่อยู่ บางทีเขาก็ดีกับเราบางทีเขาก็ร้ายกับเร า, เ า, เราถ้าอยากจะหาที่เพิ่งทางใจที่แท้จริงก็ต้องหาทางใจจากการปฏิบัติธรรมการสตินั่งสมาธิเนี่ยเป็นที่เพิ่มของใจได้อย่างแนะอย่างมั่นอย่างมั่นใจถ้ามีที่เพิ่งทางใจจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความกลัวกับอะไรอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วครับ เวลาเห็นลูกหมาลูกแมวที่ถูกทอดทิ้งไม่มีใครอยู่บ้านอยู่อยากรับมาเลี้ยงแต่เลี้ยงไม่ได้ครับจะต้องทำอย่างไรครับเราต้องถือว่าเป็นบุญเ ป, เป็นกรรมของสัตว์ไป็แล้วกันเราช่วยเขาไม่ได้เคยได้ยินว่าถ้าเราเผลอทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจถึงเราจะไม่บาปแต่เราก็ต้องรดับวิบากที่เราทำนั้นด้วยไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ครับ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเราไปทำร้ายผู้อต่อไปแล้ว้าถูกพูดทําร้ายเราก็ได้โดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายนราลุกหลงใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะก็สุดใจแต่พยายามทําอะไรอยากไปให้พูดก็เสียให้เดือดรนด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอย่างดีที่สุดต้องระมัดระวันั่งสมาธิเอาขาซ้ายทับขาขวาได้ไหมครับ ได้ใช่ซ้ายทับขวาขว่าทับซ้ายก็แล้วแต่เราเนีอันนี้เป็นเรื่องปิดย่อยประเด็นสําคัญอยู่ที่สติถ้เน่าไม่มีสตินั่าในท่าไหนก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็อย่าไปสนใจกับเรื่องท่านั่นมากเกินไปให้สนใจกับสติว่าเรามีสติอยู่กับการภาวนาหรือเปล่าเราควรคิดถึงความตายเป็นระยะระยะไหมครับ ออกขึ้นได้ทั้งมันตลอดเวลาได้ยินดีผู้เาสารภาพนาั้นให้คิดถึงทุกลมหายใจเขาเมื่อเราจะได้ไม่หลงไม่เลืไม่ประมาทขอเมตตาพระอาจารย์ครับโยมภาวนาพุทโธสลับกับดูลมหายใจบางครั้งในระหว่างวันที่ทํากิจวัตรทั่วไปบางทีโยมรู้สึกเกิดพุทโธขึ้นที่กึ่งกลางลิ้นปีตอนฝึกใช้จุดนี้บริกรรมพุทโธครับ ก็ได้ขอให้มีพุโทโธก็กับใจเพื่อคอยเบี่งใจไว้ไม่ให้ลอยหลงกับความคิดต่างๆนั่นเองให้ใจเข้าสู่ความสงบจะใช้วิธีไหนก็ได้ขอให้มันสงบก็แล้วกนะันตั้งแต่เริ่มทําสมาธิทุกวันนี้รู้สึกเหมือนไม่สุขไม่ทุกข์ครับอาจารย์ก็เสดงว่าใจเราวางเฉยได้มากขึ้น กูเบียกิไม่ศไม่ทุกขไม่ยินดีไม่ยินได้ายทอะไรรับได้หมดศพก็รับได้ทุกขก็รับได้ขอแนวทางแก้ไขครับหากเรานั่งสมาธิโดยนั่งพื้นมักจะมีอาการปวดสะโพกบ่อยๆทําให้ต้องออกจากสมาธิเราควรฝืนนั่งต่อหรือเปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้แทนได้ไหมครับก็อลองดูสิดูคนว่านั่งแบบไหนจะได้ผลดีกว่ากัน นั่งเราสงมแล้วไม่สงบผลนี่นคือความสงบหรือไม่สงบเราบริกรรมอย่างเดียวโดยไม่ดูลมหายใจจนติดคําบริกรรมไปไหนก็บริกรรมแบบนี้ได้ไหมครับไ ด, ด้ดีเลยเพราะมันง่ายดีถ้าดูลมด้วยมันจะยุ่งยากกว่าโือเฉพาะเวลาที่เราในการเคลื่อนไหวนี่การดูลมนี่มันจะยากมากซึ่งอยู่กับคาบริกรรมคําเยอะได้ดีด การที่เกิดพุดโทโธขึ้นเกิดจากเหตุใดบ้างครับก็เกิดจากการนึกคิดขงเราเนี่ยเราคิดบ่อยๆตอนพุทโธมันก็จอยู่ในใจเราแต่ก่อนไม่เคยรู้เรื่องการต้องปล่อยวางร่างกายตอนคุณแม่ป่วยหนักทุกทรมานใจมากครับเพราะไม่อยากไปคุณแม่ต้องตายอย่างเดียวครับ อาการแพนิกพอจะใช้หลักธรรมช่วยแก้ไขได้หรือไม่ครับอย่างไรครับถ้าใช้สติไเมื่อมีอาการแพนิกเราก็ใช้พุทโธพุทโธยึดใจไหมแล้วอาการแพนิกมันก็จะหายไปนะเอาพุทโธพุทโธมัยังยุดจนกว่าอาการแพนแพนิกจะหายไปแล้วก็หยุดเมื่อขันห้าไม่ใช่เราแล้วอะไรที่พาเราไปเกิดเราจะทําลายการไม่เกิดได้อย่างไรครับ กอความอยากของเราเลยอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายใช่ไทุกคนต้องมีร่างกายถึงจะไปเที่ยวไปกินไปนอยู่ไม่มีแฟนได้ถ้าไม่มีร่างกายก็ไปไม่ได้ความอยากนี้ต้อ ง, องตัดความอยากนี้ให้ได้เมื่อตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้ก็มไม่ต้องไปเกิดได้ เรียนถามผู้จารย์ครับจะทําใจอย่างไรครับเวลาน้ําท่วมเพิ่มขึ้นรู้สึกตื่นเต้นกลัวจะเข้าบ้านครับก็เด็น ต, ตัวนขนของขึ้นที่สูงห้ามไม่ได้ฝนฟ้าอากาศยิ่งฟ้าอากาห้ามกันไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้แต่เราก็สามารถที่จะป้องกันสิ่งที่เราไม่ให้สเสียอมยได้ในการ ย, ายึกเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆให้มันอยู่ที่มันปลอดภัย การได้ทําอาหารถวายพระที่ป่วยและดูแลจะได้บุญอย่างไรครับเหมือนจะทําบุญทำทานอย่างหนึ่งนะจะให้ถวายให้ดูแลพ่อแม่ที่ป่วยก็ได้บุญเหมือนกันนะครับพ่อแม่ของเราถืาอว่าเป็นพระรอนันต์ขอ ง, งโลกนะอยู่ที่ใจของเราด้วยอยู่ที่ใจเรามีความสุขไม่มีความสุขการทำบุญแต่ละอย่างนี้สำหรับคนลางคนทําอย่างนี้กลับไม่ได้ความสุขเท่าเราทำอย่างนี้ ก็แล้วแต่เราเราจะเลือกเราเมื่อเราทำกับใครถ้าเราเป็นความรู้สึกมีความสุขมากสุขน้อยอเราก็เลือกทำเราตาที่เราต้องการได้ในชาตินี้พอรู้ทำนิดหน่อยในชาติต่ อ, ต อ, ตอไปถ้ามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทำที่เคยรู้จะยังรู้อยู่ไหมครับถ้าจําได้ก็รู้ถ้าจําไม่ได้ก็ไม่รู้ คนใกล้ตัวโกหกเห็นว่าตัวเองไม่ชอบเพราะทิ่ฉมานะของตัวเองใช้วิธีแจ๋วที่พระอาจารย์สอนความไม่ชอบลดลงครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับและอยากทราบว่าเห็นกิเลสถูกต้องไหมครับไม่รู้เห็นกิเลสเห็นการที่เราไม่ยอมเขาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกิเลสมานะเลาของเรา ล้วก็ละมานะ ก, การถือตัวถือตนความคิดของเราความคิดควาเห็นของเราไปมันก็จะทำให้เราอยู่กับคนอื่นได้ง่ายขึ้นสวดมนต์ตอนขับรถผิดอะไรไหมครับก็ถ้ามันต้องมีสติู่การขับรถก่อนการสวดต้องมาทีหลังถ้าขับรถไปแล้ว เวลาส่วนมันไม่สนใจว่ารถกําลังวิ่งไปช น, นอะไรหรือไม่นี่ครับมันก็เสียหายได้ดังนเวลาขับรถนี่ต้องเถอะต้องมีสติอยู่การขับรถก่อนเป็นเรื่องเรื่องที่หนึ่งแล้วถ้าใจยังไปคิดถึงคนน้นคิดถึงคนนี้น้าถ้าอยากจะไม่ให้คิดก็สวดมนไปก็ได้แต่ยังต้องคอยเฝ้าดูการขับรถของเราอยู่ตลอดเวลาหากชาตินี้ไม่ถึงโสดาบัน ควรทำทานศีลเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างไรให้สมดุลจึงจะไม่ไปติดข้องในเทวโลกและพรมโลกเนื่องจากเกรงว่าทําบุญมากไปเกิดในสวรรค์แล้วลืมการปฏิบัติหรือเผลอไปทําบาปครับคือาางานการทําาทำเวลาเจริญสติสมาธิปัญญานี้มันจะทํากันคนจะส่วนกันทัดกันคนเวลากันถ้าเราไปอยู่ว่าไปปฏิบัติ่เราก็จะไม่ค่อยทําบุญะ ถ้าเราถ า, ราอยากจะทำํำบุญเราก็มกจะไม่ได้ไปภาวนาเพราะคุณบางอย่างมันต้องใช้เวลาเช่นไปงานกระถินไปงานาพ่อป่าอะไรทนำนองนี้แต่ถ้ า, าอยากจะทําทุกอย่างให้ครบแบบ ง, ง่ายๆทํดดาุญทด้านก็โ อ, อนเงินเข้าบัญชีวัดไปหรือบัญชีของผู้รับไปขายก็ได้แล้วเราก็จะได้ในเวลาจารันสติสมาธิปัญญาทำได้ให้ทำได้หมดก็ดีไม่ต้องกลัวจะไปติดเทวรูป เป็นติดแถวเรกีกว่าเปน ต, ติดตัวติดสบายคนที่สวดมนต์แต่ชอบพูดจาใส่ร้ายผู้อื่นเขาจะได้รับกรรมไมไหมครับได้ด้ทำไดพูพูดใส่ร้ายผู้อื่นแล้วต่อไปพูดกล้า จ, จถงพูด ม, มาพูดใส่ร้ายตัวเองยานทัศนคืออะไรครับอาจารย์ อย่างคือการรับรู้การกการู้อย่างรู้อย่างนทัศนะ ก, ก็คือการอย่างรู้สภาวะต่างๆที่อยู่ในใจเราเนีย่ยตอนนี้เราเหมดทนไ้อย่้งความทุกข์ที่เราเคยมีอยู่หายไปด้วยัง้อยงอันนี้ก็บัญญาณนะทัศนะอย่างรู้ข้อฝังเทศธรรมะของพระอาจารย์ทำให้จิตเห็นว่ากายไม่ใช่เราไปตามที่พระอาจารย์เทศจิตจึงแยกกับกายครับ น้องกลับว่าอาจารย์ที่เทศให้ลูกให้เห็นด้วยจิตครับขั้นต่อไปก็คือปล่อยได้หรือเปล่าถึงแม้จะยากอยากการเนาะเวลาร่างกายไป็นอะไรเรายัางบรรทุกกับมันหรือเปล่าถ้าทุกข์ก็ยางแสดงว่าเรายัางไม่ได้ยากจริงๆยากยากทางความคิดแต่ทางการปฏิบัติเนี่ยเรายัางไม่ได้ยากเราต้องนาไปสู่การยากทางการปฏิบัติ ด, ด้วยถึงจะเกิดผลเกิดการ ความความดับทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ถ้าเรายยกกายยากใจออกจากกันได้ปล่อยกายได้เราก็จะได้ไม่ทุกกับร่างกายโยมอยากจะใส่บาตรพระอาจารย์เพื่อเป็นสริมงคลแก่ตัวเองแต่ติดอยู่ที่เชียงรายไม่สามารถไปใส่บาตรได้ครับบอกว่ามีวิธีใดบ้างพอสอบถามอ๋อมีแม่ค้าที่เขาใส่ข้ากับข้าวใส่บาตรให้ถึงเดี๋ยวต้องติดต่อันนี้เขาต้องจากแม่ค้าก็มีเบอร์ เขามีเบอรให้เราโทรใหสหั่งได้นะเขาก็จะเวลาเขาใส่ขบามาเขาก็จะถ่ายรูปให้หเราเห็นแล้วเขาใส่บาตให้มีค้าตอนนี้มีแม่ค้าอยู่ 3-4 จ้าแล้วบางที่ต้าทำอาหารให้กับญาติโยมที่แต่เราไม่ได้ฐานเบอร์แล้วชื่อเขาเพรเราไม่อยากจะเป็นเสื่อเดี๋ยวจะหาว่าเราไปยุ่งเกี่ยวของการทำมากิน หากในทางโลกมีโอกาสช่วยเหลือคนจํานวนมากต้องเลือกระหว่างสร้างกุศลในเพศคารวาสแล้วบวชตอนอายุมากขึ้นหรือควรรีบบวชเมื่อพร้อมคนเลือกอย่างไรครับก็เลือกแบบว่ามุตเจ้าเลยมุตเจ้ารีบบวชก่อนนะอายุยี่สิบก้าท่านก็ อ, อกบวชนะเพราะเวลาไม่มีแน่นอนจะอยู่ถึงแก่หรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมงั้นอย่าประมาทอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ เราต้อเอาเวลาที่เรามีอยู่ในตอนนี้มาให้กับการปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดก่อนเพราะทำนี่สำคัญกว่าสิ่งอื่นการทั้งหลายในโลกนี้การให้ธรรมะในชนะการให้การให้ทั้งปวงให้เงินให้ทองอีกแสนนั้นก็สู้การให้ธรรมะใหุ้ด้นจากความทุกข์ไม่ได้ เวลาพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เราจะพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมกันของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งธาตุทั้งสี่นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเสื่อมสลายไปในที่สุดเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเราเขาเป็นสมบัติเป็นสมมติที่เราไปยึดไว้แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณก็ไม่เที่ยงมันเกิดเกิดดับดั บ, ดบอยู่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้เพราะเกิดขึ้นตามเหตุที่มาประชุมกันแบบนี้พอได้ไหมครับรอาจารย์ขอแนะนําครับ ก็ในทฤษนีก็ในทฤษฎีก็ถูกต้องแต่ในทางปฏิบัติเราก็ต้องดูว่าเราปล่อยวางได้จริงหรือเปล่าเมื่อเกิดทุกข์ก็ไม่ชนะไหาเขึ้นเราล่างกายตายเราปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าอันนี้เราเป็นตัวที่จะพิสูจน์ว่าเรารู้จริงหรือไม่รู้จริงถ้าเรารู้จริงว่าเป็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ต้องปล่อยล่างกายให้ตายได้ปล่อยร่างกายให้เจ็บให้อาการเจ็บปวดเกิดขึ้นเกิขึ้นต้องอยู่ระดับไปได้ อนนเอาไปพิสูจนในขั้นปฏิบัติต่อไปตอนนี้เป็นเพีงแต่ขั้นทฤษฎีหรืขั้นเรี่องการินตามมัจยะปัญญาคือขั้นคิดตายตอมพิจารณาแต่ยังต้อเอาไปใช้ให้มันเกิดเป็นสุตตามมัจยะปัญญาก็คือเอาไปใช้กับการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจให้ได้หรือเปล่าเวลาที่ร่างกายเจอความเจ็บไข้ได้ปวยเจอความเจ็บปวดหรือเวลาร่างกายจะตานี้ใจเรา สามารถปล่อยมันได้หรือไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่าวิธีทําใจให้ยอมรับความจริงทําอย่างไรครับใจเราถึงจะยอมรับความจริงแบบถาวรครับก็ทำเข้าสมาธิให้ได้บรนะิหารถ้ามีบริาแล้วเราก็จะอยู่ความจริงได้คํำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสสอบถามครับพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วจะมีอาการดับกับหลับ จะแก้ไขอย่างไรครับก so ็ต้องฝึกสติให้มากก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิสติดน้อยๆพอนั่งไว้แล้วมันรับจะหลับยันต้องพยายามเจริสตินะระหว่างมันให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เช่นการบริการพุทโธไปเรื่อยๆตื่ขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปในวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดทุกเวลาบ่จงการเคลื่อนไหวผูกใจไว้กับร่างกาย ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรนี้เราก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า น, น้าสนาที่มันก็จะไม่หลับพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ด้วยกันในเฟซ789นะครับในยู637ในขับ9ใน t ิก t อก391ครับรวม 1,825 คนนะครับวันนี้อ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา23นาทีแล้วก็ พระอาจารย์ต่อไป8 6คำถามครับผมวันนี้ครับตอนเยอะยาวหน่อยคำถาม่าเลยน้อยหน่อยแต่ก็คงจะมีสาระประโยชน์มากขึ้นก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาหวังว่าคงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อยในสำหรับวันนี้ก็คิดว่าการสันทนาทำก็อพอสมควรเกร่เวลาขอให้ท่านจะมาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ กาความสุขความเจริญก้าหน้าในทา ย, ยิ่งขึ้นไปเธอสาธุแล้วก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมยังขอแสดงความยินดีกับหนึ่งร้านทีว่ว่าสปส c r i บ e าของคุณหมอด้วยก็อาจารย์กันให้คนรู้จักกันมากขึ้นเยอะขึ้นเราจะได้รับประโยชน์จากความยู้ของคุณหมอ เพื่อการดูอลไปดูแลรักษาร่างกาต่อไปขอจเจริญพรกลัขบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผม